พระนโมธนากับเราที่ตั้งใจในการที่ศึกษากระทําคำสอนของพุทธเจ้าเป็นไปตามลำดับในครั้งนี้าาก็จะบรรยายต่อจากครั้งที่แล้วคือตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของส ภ, ภาสวะสสังวรสู ในสภาสวะสาวรสูตรเป็นพระสูตรที่พูดถึงในเรื่องของการละอาสวะการละอาสวะในพระสูตรนี้ก็มีความยาวพอสมควร น, น, นะก็ศึกษากันเป็นไปตามลำดับก็ ศึกษาทั้งในส่วนของภาคพระบาลีแล้วก็อัตถะถาเกี่ยวกับในเรื่องของสภาสวะสังวรสุดัดงที่ได้กล่าวในครั้งนี้ก็ขึ้นในเรื่องของอาสวะที่พึงละได้ด้วยการด้วยการด้วยการเว้นทั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของอาสวะที่เอือ อาสะวะที่พึงระได้โดยการโดยการเห็นทั้งสองก็คืออาสะวะที่พึงระได้โดยการโดยการสังวรไม่ใช่เว้นการสังวรพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสะวะเหล่าไหนที่จะพึงระได้ด้วยการสังวรดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยการสํารวมในจักขุนศีอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็าอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคลับแค้นเหล่าใดจึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่สํารวมจกักขุนศีอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคลับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้สํารวมจกักขุนศีอยู่อย่างนี้แล้วก็ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวมด้วยการสํารวมในโสตินรียอยู่จกักขุนศีก็คือสํารวมตานี่นะ ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในคาณินทรียอยู่ก็คือสำรวมจมุกภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมสำรวมด้วยความสำรวมในชิวหินรียอยู่ก็คือลิ้นภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในกายยินรียอยู่ภิกษุ พิจารณาโดยแยกขายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในมนินทร์ซีกันในใจอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสะวะและความเร่าร้อนอันตามความคับแค้นเหล่าใดพึงมังเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่สำรวมจักขุนรีโสตินทรียคาณินทรีย์คิวหินรียกายินรียและมณินรียอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนอันตามความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สำรวมใน จกักขุนสีโสตินสีคาณินสีชิวหินสีกายินสีและก็มะินศีอยู่อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราจะถาคพกล่าวว่าจะพึงละได้ด้วยการสังวรจกพุทธพจน์ตรงนี้ทำให้เราได้พิจารณาเห็นว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการสังวรเนี่ย อาสวะที่พึงละได้โดยการสังวร น, นั้นพระพุทธเจ้านั้นขั้นตรัสการแสดงอาสวะอันพึงละได้ด้วยทัศนะคือการเห็นแล้วเนี่ยบัดนี้เพื่ออะไรเพื่อจะทรงแสดงอาสวะอันพโยคาวจรพึงละได้ด้วยการสังวรก็ทรงแสดงไขเป็นตามลําดับที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่พโยคาวจรพึงละได้โดยการสังวรดังนี้เป็นต้น คือพู้พุทธเจ้าจะเรียกผู้ปารกความเพียรหรือนักปฏิบัติทั้งหลายใช้คาว่าโยพโยคาวจรหรือโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรผู้ปารกความเพียรผู้มีความอุตสาหะเป็นต้นถามว่าขึ้นชื่อว่าอาสวะที่โยคาวจรจะพึงล้าได้ด้วยกิจสองอย่างเหล่านี้ก็คือว่าด้วยทัศนะ และด้วยภาวนาไม่มีมีใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงอาสะวะที่พระโยคาวาจรจะละได้ด้วยกิจมีสังวรเป็นต้นไว้อีกแผนกหนึง่งถามบอกเออพระพุทธเจ้าสแสดงสังวรละได้ด้วยทัศนะคือการเห็นเนี่ยหมายความว่าอาจรคะบุย่ห้ที่ลจาอาสะวะเรา นั่นอาจจะพึงร้าได้ด้วยทัศนะคือโสดาปฏิมากรเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็เพราะเป็นการเห็นพระนิพพานในครั้งแรกเป็นต้นเหล่านี้ยตรัสในเรื่องตรงนั้นเหล่าในเรื่องทัศนะคือการเห็นแล้วทําไมจึงมาตรัสเกี่ยวในเรื่องของอาสวะที่พึงร่าได้ใช้การนะโอ้ท่านก็ตรอบตอบอกว่าเพราะอาสวะทั้งหลายที่ประโยคะวาจรข่มไว้ได้โดยส่วนเบื้องต้นด้วยมีจิตมีการสังวรเป็นต้น ย่อมถึงการเพิกถอนด้วยมรสีก็หมายความบอกว่าเออถ้าหากว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาอานาคาและเป็นพาาระหลานเนี่ยสังวร น, นั้นก็จะถูกประหารโดยเด็ดขาดเป็นไปตามลําดับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันในทิฐิเนี่ยนะคิฐถาสวะานิอสวะกล่าวคือความเห็นผิดเนี่ยก็จะถูกล้างได้โดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากเป็นพระ สกาดทาคาเนี่ยก็ทําราคาโทสะโมหะให้เบาบวบบางลงถ้าเป็นผ้านาคาพอกามมาสะวะเนี่ยละได้เด็ดขาดแต่ถ้าหากเป็นผ้าหาันหมดเลยทั้งภวาสะวะอวิชชาสะวะก็ถูกตัดละได้อย่างเด็ดขาดแต่ที่พระพุทธองค์มาแสดงอาสวะที่พึงละด้วยสังวรเนี่ยก็เป็นการเป็นเบื้องต้น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 ฉะโสดาปฏิมร์ข้อแรกที่พระองค์ตรัสไว้แล้วเนี่ยแล้วก็มร์สามที่พระองค์จับตรัสโดยชื่อว่าภาวนาในบัตเนี่ยกระถาของอาสวะที่พึงล่าดได้เลสังวรเป็นต้นเนี่ยก็ต้องทราบบอกว่าเป็นปกปักษปฏิบัติของโสดาปฏิมร์และของมร์ทั้งสามเหล่านั้นเมย์ทั้งหมดเออที่จริงสังวร น, นี่เนี่ยเป็นเบื้องต้นของมร์ทั้งสี่ เป็นว่าออคนจับบรรลุดได้เนี่ยก็จะต้องมีการสังวรคือการระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทงางตาหูจมูกลิ้นกายใจยหรือปิดเนี่ยคาว่าสังวระตานั้นแปลว่าการปิดกั น, นการปิดบาปไม่เกิดขึ้นทางทวารตาทวารหูท ว, วารจมูกทวารลิ้นทวารกายและก็ทวารใจโดยหลักการที่เคยศึกษาแล้วก็เคยพิจารณากันมาตามลำดับที่บอกว่า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 พระพุทธเจ้าตรัสวิธีละอาสวะไว้ด้ยเจ็ดวิธีใช่ไหมอาสวะที่พึงละได้โดยการเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงอ า, า, วงาสวะที่พึงละได้โดยการสํารวมหรือสังวรที่กําลังจะศึกษาประการที่สมคืออาสวะที่พึงละได้โดยการซ่องเสพ4ี่ก็คืออาสวะที่ละได้โดยการอดทนอดกลั้นหก็ 5, คืออาสวะที่พึงละได้โดยการเว้น หกก็คืออาสะวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาเจ็ดก็คืออาสะวะที่พึงละได้ด้วยการอบรมหรือเจริญฉะนั้นอาสะวะแต่ละวิธีนั้นสําเร็จได้ก็ต้องมีอะไรต้องมีโยนิโสมนสิการที่ได้กล่าวว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วเนี่ยใช่ไหมที่ในในที่นี้ที่สังวรเนี่ยพิสูจพิจารณาโดยแยกคายแล้วโดยแยกคายแล้วก็ว่าสํารวมอะไรสํารวมจักขุนสีโสติมศีคาย หินสีชิวหินสีเป็นต้นลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการสังวรก็คือการปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นในกระแสจิตแต่ว่าการที่จะละตรงนั้นได้ก็จะต้องมีโยนิโสมนัสิการดังที่ได้กล่าวนั้นตัวโยนิโสมนัสิการนั่นแหละที่เป็นปัจจัยก่การที่จะทําให้เราละได้โดยการสังวรเป็นต้นบาปอกุศลต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการปิด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 เมื่อสำรวมระวังแล้วอาสะวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนก็จะไม่มีอันนี้ที่เรียกว่าอาสะวะที่ละได้โดยการสำรวมเออมันที่บอกว่าสำรวมระวังอินทรีย์ตาเนี่ยเขาเรียกตาเนี่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมเป็นใหญ่ในการเห็นหูก็เป็นอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกก็เป็นอินทรีย์เขเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นลิ้นก็เป็นอินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการรับรส กายก็เป็นอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรู้เย็นร้อนใจก็เป็นอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ทั้งหมดฉะนั้นคำว่าอินทรีย์เนี่ยก็แปลว่าความเป็นใหญ่เป็นใหญ่เวลาเรียกเป็นภาษาบาลีที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยใช่ไหมจักขุนซีเนี่ยอินทรีย์คือตางโสอินทรีย์อินทรีย์คือหูทานอินทรีย์อินทรีย์คือจมูกชิวหินซีอินทรีย์คือลิ้นกายอินทรีย์อินทรีย์ก็คือกายแผนกายทั้งหมด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 ท่านก็เลยสอนให้ปิดปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจก็มั้งแต่คําว่าปิดในที่เนี้ยไม่ใช่เป็นหลับตาเนอะใช่ไหมหลับตาแล้วอะไรอุดหูอุดจมูกไม่กินงเงี้ยหรือว่าไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าปิดในที่นั้นได้เป็นจำนวนเนี่ยในหลักการท่งนเล่นให้การปิดบาวไม่ให้บาวเกิดขึ้น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 บางคนเสียงฟังแล้วก็มั น, ม, นมันก็ชื่นใจฟังแล้วก็น่าจะเป็นบุญเป็นบุญสนดีใช่ไหมแต่บางคนมันทนฟังไม่ได้จริงๆรงิใช่ไหมแค่ได้ยินเสียงออกมาแค่นั้นเราก็รู้สึกอมันมันก็ทําใจยากกข้าวันอันนั้นจะเป็นโทษของการไม่ได้ปิดบาปไม่ได้ฝึกขัดเข้าวัถามว่าในบรรดาท่าก็เป็นกันไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าใครท่านผู้ใดจะสามารถปิดกั้นบาปเหล่านี้ได้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 ในขณะที่เห็นสีสเห็นภาพเห็นบุคคลต่างๆเหล่าเนี้ยโมหะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็ปิดแล้นสรุปก็คือโมหะเนี่ยเข้าได้กับโลภะก็ได้เข้ากับโทสะก็ได้มันเป็นกองหนุนอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะโทษของความไม่รู้เนี่แหละทำให้เราหลงใช่ไหมเพราะโทษของความไม่รู้นี่แหละทาให้เาห ร, ร, า, มมร า, ย า, เายึดติดแล้วก็ผูกพันแล้วก็เหนียวแน่นแกะไม่ออกนเนี่ยเนี่นั้นทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หมดแล้วถ้าหากว่า ถ้าหากเป็นปีรูปสาตรูปคือรูปที่น่ารักน่ายินดีเสียงที่น่ารักน่ายินดีกลิ่นที่น่ารักน่ายินดีรสที่น่ารักน่ายินดีโผฏพลาที่กระทบกายที่น่ารักที่น่ายินดีหรือธรรมารมณ์อารมณ์ที่มาปรากฏกับใจที่น่ารักที่น่ายินดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นท no in ah ี่ตั Stream ้งของราคะเมื ρά, ่อราคะความกำนังความยินดีต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโมหะก็เข้าไปปิด ถ้าไปปิดแบบไหนทําให้เราไม่แทงตลอดสัจจะคือไม่เห็นความจริงของสิ่งนั้นว่านี้ทุกเนะือใช่ไหมนี้ทุกเนื้อเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสภาพของความทุกถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่พ้นจากชาติทิฐุฆร า, าทุกโมรณะทุกเป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดดังนั้นปัญญาตรงนี้มันไม่เกิดเพราะอะไรไปปิดโมหะก็ปิดเขาไว้นัยยะตรงกันข้ามก็เป็นอาปิยโรภอาสาตารุ โรคที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีเสียงกิ่นดรดโวดสะพ้าแล้วก็่ทำมารมเป็นต้นเนี่ยที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีเนี่ยก็เป็นจิตตั้งของปริฆค์มันก็กระทบกระทั่งจิตมันกระทบกระทั่งจิตเนี่ยโดยเฉพาะก็คือว่าเมื่อมันเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นมาแล้วตอนนั้นน่ยสภาพจิตใจก็โอ้โหสะเทือนว่าก็เรียกว่าขัตยแววทูก็เล่าร้อน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 มีหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณอาการกริยาเป็นต้นก็แข็งก็ได้แม้แต่ ก, การหายใจก็นหนักหน่วงขึ้นมาเป็นลําดับก็คือว่าคนโกรธเนี่ยหายใจแรงคนโกรธไม่มีใครโกรธจัดๆแล้วหายใจเรเบ า, บาหน้าตายิ้มแย้มฟองใส่ไม่มีอันนั้นบ่งบอกว่าตอนนั้นปฏิฆะเกิดเพราะโทษของการไม่สังวรก็คือไม่ปิดใช่ไหมไม่ปิดบ่าวที่มันเกิดขึ้น ทีนี้ในขณะที่โทษตาเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวแล้วว่าโมหะเขาปิดไม่ปิดทําให้เราไม่แทงตลอดความเป็นจริงก็คือคิดถึงเมตตาไม่ได้แผลเมตตาไม่ได้เป็นต้นอันนั้นก็คือเป็นโทษในบทเหล่านั้นบทว่าอิทะคือในศาสนานี้ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยปฏิสังขาก็แปลว่าพิจารณาแล้ว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 ใช้สอยที่อยู่กเรียกเศษนั่นเองใช้สร้อยที่อยู่อาศัยบ้านหรือสถานที่ต่างๆรวมถึงยานพาหนะทุกชนิดเนี่ยทำให้ทิาจารณาแล้วใช้ใชเนี่ยนะประการต่อมาก็คือว่าเครื่องนุ่งหม่มเออไม่ใช่ยารักษาโรคอาหารสิ่งต่างๆเหล่านี้หนึ่งที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มอาหารแล้วก็ยารักษาโรค การเสพการใช้ปัจจัยสี่ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าไม่สังวรมันจะตามมาด้วยบาปเยอเขาบอกว่าคนโบราณเขบอกว่าปฏิสังขาหรือยังปฏิสังขารหรือยังเขแปลว่าเออพิจารณาหรือยังเนี่ยจะใช้ของสิ่งต่างๆหลือเนี้ยพิจารณาหรือยังปฏิสังขาหรือยังทีนี้ปฏิสังขา โยนิโสพิจารณาคือทราบได้แก่เห็นเฉพาะโดยอุบายคือถูกทางในทีน่นี้การพิจารณาโทษของอสังวรถึงทราบว่าการพิจารณาโดยแยกคายก็การพิจารณาโทษของอสังวรคือการไม่สารวมเนี่ยท่านยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างเช่นในอาทิตตปริยายสูตรที่ท่านสอนมาไว้ แนวที่ตัปริยยสูตรมีอยู่สองสูตรเนีบางทีท่านบอกว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายตาเป็นของร้อนใช่ไหมตาเนี่ยเป็นของร้อนรูปคือมากระทบที่ตาเนี่ยสีภาพต่างๆที่มากระทบกับตาก็เป็นของร้อนจกักขูวิญญาณที่เกิดขึ้นไปรับไปเห็นรูปนั้นก็เป็นของร้อนจกักขูสัมผัสคือการกระทบกันของตารูปและจกักขูวิญญาณก็เป็นของร้อน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 บางครั้งก็ดูปุ๊กกบกทุกขเวทนาเกิดบางครั้งก็ไม่ค่อยใส่ใจเป็นอารมณ์ที่เราไม่ให้ความสำคัญมากก็เป็นอุเบกขาเวทนาเกิดทีนี้พอสุขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วมันจะตามมาด้วยอะไรรึมั้ยราคะความกําหนัดความยินดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมามันจะตามมาด้วยปฏิฆะคือความยินร้ายถ้าอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ได้พิจารณาก็จะตามมาด้วยโม เห็นไหมท่านบอกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาและเวขาเวทนาเป็นของร้อนถ้าสังเกตดูนะทั้งสายเลยนะตาก็ร้อนลูกก็ร้อนจกักวิญญาณก็ร้อนการกระทบคือการมากระทบการเชื่อมต่อกันก็ร้อนสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ร้อนทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ร้อนอุเบขาเวทนาเกิดขึ้นก็ร้อนแต่เชื่อไหมกรุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยจะมีความเข้าใจว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นไม่ร้อนหมดใช่ไหม ถ้าเราเห็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยหรือได้ยินเสียงที่ดีๆเป็นต้นเหล่านี้จะร้อนได้ยังไงใช่ไหมจ๊ะพอเห็นปุ๊บได้ยินปุ๊บหรือได้กลิ่นปุ๊บแล้วก็ได้สัมผัสได้คิดนึกต่างๆในสิ่งที่มันดีๆเนี่ยไม่เห็นร้อนเลยก็ทําให้เราเกิดความสุขทําให้เราเกิดความเพลิดเพลินแต่ทัศนะของพระพุทธเจ้าทึ้งพระองค์แทงต ล, ตลอดตางความเป็นจริงแล้วบอกเปนร้อนแล้วพระองค์ก็บอกร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะ แค่นั้นถ้าหากว่าสุขเวทนาตามไม่ไราคะเกิดเพราะพุทธเจ้าบอกว่าไฟนีเป็นไฟนะราคะร้อนเพราไปคือโทสะไอธรรมศ า, าสตร์ุขเวทนาโทสะมันก็เกิดอามาสายของอริยธมสุขเวทนาคือเวทาเวทนาโมหะก็เกิดนร้อนเพราไปคือราคะไปคือโทสะไปคือโมหะถามว่าเมื่อราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไ ง, งก็ทำกรรม คนเราเวลาราคะโทสะโมหะเกิดข <ock> ึ้นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็ไปแล้วเป็นไปตามสภาพถ้าราคะเป็นตัวขับเคลื่อนก็โอทํากรรมที่เกี่ยวกับราคะถ้าโทสะเป็นตัวขับเคลื่อนก็ทํากรรมที่เกี่ยวกับโทสะถ้าโมหะเกิดขึ้นก็ทำกรรมที่เกี่ยวกับโมหะสรุปก็คือกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเป็นกายทุจริตวิจีทุจริตและมโนทุจริตมีราคะโทสะโมหะเป็นตัวขับเคลื่อนมันเหมือนคนขับรถนะนั่นรถที่จะเคลื่อนไปได้เนี่ยมันจะให้ใครขับ ถ้ามีคนขับรถสามคนใช่ไหมมีชื่อไอโรฟะคนนึ่งไอโทสะคนหนึ่งไอโมหะคนนึ่งใหชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นนะบางครั้งเราขับรถได้วยโลฟะใช่ไหมรถฉันก็วิ่ง ไ, ไปได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้จะไปแบบโ ล, โลฟะไปนะคือโรฟะเป็นตัวกลางเกอนบางงรั้งก็ไปแบบโทสะโกรธมากวันนี้จะต้องไปจัดการนี่ได้เพราะเราขับไปแล้วคิดไปงี้เนี่ยแล้วก็ไปแบบโมหะไม่รู้จังแบบนีก็เหมือนกรรจกายานเนี่ยเหมือนเหมือนสรีระยนเี่ยคือกายนี้เนี่ย สลีร่ายโยนเหมือนกายเนี่ยใจเหมือนอจิตนั้นเน่ยเหมือนกับสรารถีที่จะเป็นตัวทำให้ร่างกายนั่งขับเคลื่อนไปใช่ไหมมีการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นต้นเหล่านี้ยบอกว่าเออใครเข้ามานั่งแท่นในใจราคาโทสะโมหะมานั่งใช่ไหมตราคะ ม, ม, ม, มานั่งขนาดไหนก็ก็สามารถขับเคลื่อนสรีร่ยนต์นี้ไปได้เหมือนกันโทสะโมหะก็นในย่าเดียวกันหรือถ้าหากว่าพิจารณาโดยแยกทายปุบ๊บ ปิดบาปปิดอกุศลราคะโทสะโมหะไม่เกิดที่นิพพากุศลก็มาเป็นตัวขับเคลื่อนนั้นในร่างกายในสรีร่ายน์กาวคือกายยาวานาขึ้นเนี่ยที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมจาก 4, สี่ทวารเก้าทิศลมีการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยเนี่ยดินน้ำไฟลมเป็นต้นที่มันเคลื่อนไปตามที่ต่างๆได้เนี่ยกลว่าเราเราใช้คนขับมาเยอะแยะในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยนะ แต่โดยมากราคาโทรศาพท์โมหะเนี่เราชอบที่จะใช้เขามากที่เขาใช้เราจนสุดโซมหมดแล้วเป็นร่างกายเราดูหูดูใช่ไหโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่านี่แหละการที่ว่าถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าปฏิสังขาโยนิโสพิจารณาคือทราบแต่แก่เห็นเฉพาะโดยอุบายคือโดยถูกทาง การพิจารณาสุกทางคือการพิจารณาเห็นโทษของอสังวรการจะพิจารณาเห็นโทษของอสังอสังวรเนี่ยก็คือว่าพิจารณาเห็นโทษของการไม่ไม่มีสีลสังวรนะถ้าไม่มีสีลสังวรนี่เป็นโทษแน่ๆหรือไม่มีอินทรีสังวรก็คือไม่มีสติในการที่จะไปปิดบาปไม่มี ขันตีสังวรเออไม่มีการอดกันเออแปลกอยามเนี้ยขันตีของบุคคลโดยทั่วๆไปเนี่ยโดยมากเขาจะไปเข้าใจบอกว่าทนเข้าไว้ถึงเราจะโกรธก็ทนเข้าไว้ใช่ไหมยอย่าพูดบอกคุณนะี่อย่าพูดมากก็โกรธจนะทนเข้าไว้ก็แล้วเขายังยกย่องเลยนะโอ้โหมาวานี้โกรธแคบแย่เลยดีนะที่ทนได้ไอ้ตรงเนี้ยที่จริง ที่จริงไม่เรียกว่าขันติเพราะว่าถ้าขันติเนี่ยใจต้องเป็นไปกับเมตตาเออใช่ไหมอาโทสาเนี่ยต้องเป็นเมตตานคําว่าอดทนในที่นั้นใจจะต้องผ่องใสมีความลัความปรารถนาดีควาเอื่อทอรแต่ไม่ใช่กัดฟันยิกยิก๊ๆแล้วบอกว่าโอ๊ยดีนะถ้าไม่พ้งออกไปไม่ว่ากันแต่ไมโกรธแทบแย่เลยไอ้อย่างนี้ไม่เรียกขันติ แต่ชาวชาวโลกโดยทั่วๆไปเขาเข้าใจว่าออคนนี้อดทนดีขนาดโกรธก็ไม่พูดว่างั้นไงทีนี้ถ้าในทางธรรมะท่านบอกว่าโกรธนะั้นไม่ใช่ขันติแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องกล่าวว่าพูดออกมาหรือว่าพุทธสวาสดออกมาอันนั้นเลยทงไปหมดแล้วท่านสอนแม้กระทั่งว่าขันตินั้นต้องไม่โกรธนั้นถึงจะเรียกว่าสังวรเพราะว่าสังวรในเช่นนั้นต้องปิดบาปใช่ไมมใจต้องไม่เป็นบาป ใจต้องไม่เป็นบาปทีนี้โกรธแต่ไม่พูดมันเหมือนว่าเอา้านับต้แต่วันนี้ไปเราสองคนห้ามพูดกันแต่อ้โเห็นทีไรแล้วขุดค้องมองยายทุกทีอย่างนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่กันติกันติไืต้องไม่โกรธวิริยะสังวรนั้นเนี่ยเป็นการเป็นการห้ามกามวิตกพยาบาทวิตกและก็วิหินสาวิตกเนีย คืเพียรในการพิ่จะละบาปนั่นเองส่วนญาณสังวรอันนั้นเป็นเป็นการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาฉะนั้นท่านนึกบอกว่าพิจารณาโดยแยกคายก็คือเห็นโทษเห็นโทษของอสังวรวิธีการเห็นเห็นโทษที่ชัดเจนก็คือยังไงก็คือว่าคนที่ไม่สังวรเนี่ยคนที่ไม่ปิดบาปอากุศลทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย ปัจจุบันก็พากันไปยัดเยียดในนลกเต็มหมดแล้วนี่คือพิจรารณาอีกทอดพิจารณานี่หนึงและก็มาพิจารณาดูตนเองเออถ้าเราไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของอการสังวรไม่เห็นโทษของการปิดบาปเราก็จะต้องไปยัดเยียดในนะครับพระพุทธเจา้ามันทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลกนะที่พระ อ, องค์บอกว่าตีอย่างในอาทิตตาปริยาญสูตรทั้งสองอย่าง ที่บอกว่าจากักขุนซีพิษสูตรทั้งหลายจากักขุนศีที่พิกษุูตรทะวงแล้วด้วยเหลาเหล็กอันร้อนชวนลุกโชดช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือเอานิมิตถือเอาโดยอนุพยัญชนะในรูปที่จะพึงรู้ด้วยจักสูไม่ประเสริฐเลยแม่้จะคำว่าจากักขุนทรียังจกักขุนทริยสังวราสังวุโตเป็นต้นจักสูชื่อว่าจากักขุนศีที่ชื่อว่าสังวรเพราะกั้นไว้เนย ปิดไว้กั้นไว้กั้นไว้ได้สังวรเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของสติการสำรวมในอินทรีย์คือจับสุขชื่อว่าการสำรวมจกักขุนศีทีนี้การที่จะบสำรวมจกักขุนศีเป็นต้นเหล่านี้ท่านบอกว่าที่พระเจ้าตรัสไว้ในอาทิสราาตริยยสูตรที่บอกว่าถ้า ถ้าเรามองสิ่งใดแล้วเกิดราคะหรือเกิดโทสะสูตรนี้ท่านสอนแรงนะท่านบอกว่าทะลวงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนโชนลุกเลยชดช่วงยังประเสริฐกว่าใช้เหลาเหล็กใช้ใช้เหล็กแหลมแหลมเนี่ยแทงเข้าไปในตานีแล้วไอ้เหล็กแหลมแหมเนี่ยไฟลุกติดชดช่วงด้วยนะแล้วแทางเข้าไปในตาทั้งสองข้างให้บอดก็เลยดีกว่า ถ้าเราจับมองสิ่งอะไรแล้วทําให้เกิดราคาโทรศัพท์หรือเกิดม้วเออยังประเสริฐกว่าเขาบอกไงแล้วพูดตรงนี้เหมือนอุปมาแรงยังไงมันแรงจริงๆแลทําไมพระองค์ถึงอุปมาแรงขนาดนั้นบอกหูใช้เหลาเหล็กเนี่ยแทงเข้าไปในตาถ้าเราจะมองอะไรแล้วเราเกิดความลวมหนักเกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินส่วนนี้เวลาอ่านรือสึกฟังพระพุทธเจ้าท่านท่านกล่าวมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย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 แล้วก็โมหะก็ในยาเดียวกันก็จะทําบาปทําอกุศลอย่างมากฉะนั้นเวลาทําบาปทำอกุศลกายยตุเจิญวัจจีโตเจริญมโนโตเจริญที่ตามมาเนี่ยแล้วเราจะต้องไปเกิดในสังสารวัฏยกตัวอย่างเช่นไปตกอบายภูมิอ้ายกตัวอย่างอย่างนี้นะเห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าอาวบเทวทัศน์ถ้าเทวทัศน์มองมองพระพุทธเจ้าด้วยจกักขุนสี พอมองไปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออการเป็นพระพุทธเจ้าดีๆใช่ั้มมีคนเคารพนับถือเยอะแล้วได้เป็นใหญ่ปกครองคณะสงฆ์ถ้าหากเรากำจัดคนคนนี้เสียได้แล้วเราก็ปกครองสงเราก็เป็นใหญ่จะบอกเต้ถ้าหากว่าเราจัด จัดการกับคนคนนี้เสียได้คือจัดการกับพระพุทธเจ้าเสียได้เนี่ยก็ไปกิ้งหินที่เขาคิดจะโกหกใช่ไหมแล้วก็มากระทบพระบาศของพระเจา้าจนพ่อว่าลอยอันนี้เป็นลอหิ ต, ตุปบาศ ท, ทำร้ายพระเจ้าให้พ่อไม่ลอหิตรกามอเนี่ยแต่ว่าลงอเวจีแล้วนั้นการถ้าเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าต ร, ตรงนั้นเสียถ้าพระเทวทัตไม่เห็นเสียนะ เอาเหล็กแหลมแหลมแทงตาแล้วถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะไม่ได้ทำบบทำสวานตาอะยังเพราะโทษแแทงปุ๊บเนี่ยนียมันมันมันก็เจ็บปวดปฏิบัติภพนี่ทุกปันตายหรือว่าตายแค่นั้นเองแค่ชาติเดียวแต่การที่จะต้องไปอยู่เป็นหลายๆกลับเป็นแสนๆกลับเนี่ยกลับหนึ่งก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ายาวสิบห้ากิโลกว้างสิบห้ากิโลลึกสิบเออ ยาวสิบหกกิโลกว้าสิบหกกิโลลึก1ิสิบหกกิโลเต็มไปด้วยมเมล็ดมเมล็ดงาร้อยปีหยิบออกมเมล็ดนั่นกลับนั้นยังนับไม่ได้ว่ายังน้อยกว่ากลับด้วยซ้ำไป น, นี่ถ้าหากว่าไปไปเสวยทุกเวทนาแสนกลับแต่การถูกแทงนะด้วยเหล็กแหลมอ่เหล็กแหลมอ่ะที่ลุกไปลุกโวดช่วงแล้วแทงเข้าไปในตานะเออมันมันทุกทรมานไม่กี่วันนี้เท่ง เออวันก่อนก็บรรยายเรื่องพระพุทธเจ้าไปเทศนาที่ดาวกระดึงไปเชิดโปรดพุทธมารดาพุทธมารดาอยู่ชั้นดุสิตที่ว่าสันตุสิตเทพปบุตรคือมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพนางมหาประชาดีดนางสรีมหามายาเนี่ยต่อไปพระนางสรีมหามายาเนี่ยหลังจากที่ทรงให้ประสูตร เพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายจิตถถาเป็นเสร็จแล้วเจ็ดวันก็ที่วงโคตตายสวรรคตรหรือตายไปจุติและไปปฏิทินที่อยู่ในชั้นดุสิตพอไปเกิดในชั้นดุสิตเนี่ยปุ๊บก็โตขึ้นเป็นเทพบุตรไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วเพราะว่าเป็นธรรมเนียมธรรมดาเป็นปกตินะเหมือนเหมือนอนิจจังรูปข้างหน้าตาเนี่เป็นปกติเนี้ย คนที่เป็นมารดาของพวกโพธิสัตว์แล้วเนี่ยในชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยท้องของพระนางจะไม่เป็นที่ปฏิสธิให้กับใครที่เกิดให้กับใครก็ไปเกิดต่อมาพระเจ้าได้จัดสรู้ใช่ไห ม, ใ, ไหมในภาษาที่เจ็ดนั้นพระเจ้าก็ไปโปรดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงนี่ชั้นดูสิอยู่ชั้นที่สี่ดาวดึงอยู่ชั้นที่สามนั้นพุทธมารดาพร้อมด้วยเทพรดาทั้งหลายเนี่ย ที่สันตุสิทธิเทพประบุเนี่ยพร้อมด้วยเทพทีดาทั้งหลายเยอะแยะหมดเลยเนะในชั้นดุสิตก็ลงมาเต็ไมไปหมดเขาบอเป็น เ, เป็นชั้นแสงโกรธเยอะมากมพระเจ้าไปเทศนาอยู่เท่าไหร่เลยไหมเทศนาอยู่สามเดือนเทศนาอภิธรรมอภิจบสามเดือนเนี่ขขขนนเขาคำนวณกันใช่ไหมสามเดือนเนี่ยถ้าหากว่า ในในในในมนุษย์โลกเนี่ยสามเดือนและในสวรรค์เขาเนี่ยใช้เวลาเท่าไรเท่าไรรูร้ไหมก็เร า, าแค่ดูชั้นชั้นที่ติดกับเราที่ว่าอาจารย์สุมหาราชิกาเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งวันของเขาเนี่ยเท่ากับห้าสิบปีของเราของเราห้าสิบปีใช่ไหมเนี่ย อ, อาจารย์เกิดมายังไม่ถึงห้าสิบปียังไม่ถึงห้าสิบเนี่ยเนะี่ย ต้องใช้คำว่ายังไม่ถึงห้าสิบยังไม่ได้วันหนึ่งของเทวดาชันจะตุมเลยทีนี้จ่าตุมมหาราชิกาเตาสิงสายามาดูสินี่อยู่ชั้นดูสินะชั้นที่สี่พอไปคำนวณเบ็ดเสร็จแล้วนี่นะสามเดือนในโลกมนุษย์เนี่ยประมาณสักไม่เกินน่เก้านาทีไม่เกิน9้านาที เวลาพุทธเจ้าไปเทศนาบนนู้นน่ะก็เงื่อนไขคือการัชกายของพระองค์มาเป็นมนุษย์พอได้เวลาพวกเนี่ยพระองค์ก็ใช้เนรมิตรรูปของพระพุทธเจ้าใช่ไหยเขาเรียกว่านิมิตเป็นรูปพระพเจ้าองค์หนึ่งแสดงธรรมต่อไปเรื่อยๆแล้วพระองค์ก็ลงมาที่สาโนตะก็มาพักก่อนอิเดียบทบินธบาลชั้นนะครเรสร็จภาษาลิบุตรก็ไปคอยอุปถัมภ์แล้วพระองค์ก็เทศนาโดยย่อ แบบสังเกตในเอวันนี้เทศนาเรื่องอะไรบอกภาษาเรื่องบทเสร็จเมื่อคลายไอเดียบทไดเล็กน้อยก็กลกับไปลูปนิมิตที่อยู่ตรงนั้นก็เทศต่อเทศไปเรื่อยๆนะเพราะโดยเงื่อนไขคือสามเดือนนะแต่ในเทวดาก็นึ่งเหม่เพิ่งเอาเทศน้อยแล้วไม่เกินเก้านาทีน่าจะประมาหกนาทีกว่ากว่าถ้าคำนวณเสร็จนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อสี่ร้อยอ่ะส่วนเนี่ยนะ คิดประมาณหนึ่งใน400สี่ร้อยประมาณนั้นเน่ยเพราะก็ประมาณน่าจะประมาณหกเจ็ดนาทีไม่เกินเก้าไม่เกินเก้านาทีพระเจ้าเทศนาไออภิธรรมอภิโดกเนี่ยจบไอเริ่มตั้งแต่ทำรรมาสังคณีปาลปอนเป็นต้นไปจนถึงตัดานในเจ็ดคำพีเนี่ยเจ็ดคำพีเนี่ยเทยวดาฟังกันหุน้อยมากเลยเทยา น, นารุที่สดานได้เนะย ใช้เวลาสามเดือนพอครบสามเดือนก็ลงมาที่สังกัสรณพรใช่ไหมที่วันเทวโรหนะเราบอ ว, วันพุเจ้าวันพุทเจ้าเปิดโลกที่เราพูดกันนั่นน่ะนี่ชี้เห็นว่าบนสวรรค์ น, นี่พวกเราเนีตา่ตายเกิดตายเกิดตายเกิดไม่รู้เท่าไหรน่นะในโลกมนุษย์เนี่ยวันก่อนก็ฟังโยมท่านหนึ่งก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันก็ไปพูดออกรายการเขาบอกว่า ก็าพูดถึงโลกนี้เกิดอุบัติเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วต่อมาคนในยุคนั้นอายุปเป็นแสนแล้วต่อมาค่อยๆลดลงมาเป็นเป็ดเจ็ดเปนแปดหมื่นปีแล้วต่อมาก็คือภาษียังไม่จ่ายกมาตัดในอนาคตแต่ช่วงนี้เป็นยุ่งขาลงลดลงเรื่อยๆนั้นคนก็จะเริ่มทำบาปไปเรื่อยทุกวั น, นเนี้ยนะปัจจุบันนี้ ก, ก็เริ่มทบาปเรื่อยๆ ต่อมาก็จะพอหลังจากถึงสิบปีไปเสร็จแล้วก็จะเริ่มขึ้นร้อยปีขึ้นปีร้อยปีขึ้ น, ป, น, ป, นปีไปจนโอ้ยนับไม่ได้แล้วก็จะลงมาอีปีหนึ่งจิ๊บแปดหมืปีในยุคนั้นภาษียะไม่ใจก็จะมาตรัส บ, บางคนโอ้สว่างชื่นใจละหลอกประมาทที <c> ่ <oughs> จริงตรงนี้วิธีคิดไม่ใช่อย่างนั้นวิธีคิดก็คือปัจจุบันเนี่ยคําสอนของพุทธเจ้ามีใช่ไหมไมันไปรอกงั้นไม่ได้ประมาทมากไปเลยที่เราคิดแบบนี้แหละถึงพลาดมาทั้งหลายองเนี่ยใช่ไหมจ๊ะ หนึ่คิดใหม่ท่าคิดใหม่เพาคิดแบบนี้โอ้เดี๋ยวอยีกององค์ที่ห้านี้หมดแล้วนะพระตะกับเนี่ยมีห้าองค์เองพิพุทธเจ้ามาตรัสต่อไปจะเป็นอสุญิกับกับที่มีพุทธเจ้าก็องคิดโดยคนจะชั่วเหมืนกั น, นกเลยไม่มีคําสอนขนาดมีคําสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้นะโอ้ยทั้งที่ประกาศจนเป็นชาวพุทธเนี่ยคือมามืุนปังมกันเต็มบ้านเต็มเมืองชาวพุทธทั้งนั้นแหะ แต่ถามแต่ละคนไม่มีใครเป็นคนทานมีบัณฑิตเต็มไปหมดจะไ่ใช่จไม่ยอมรับนเนี้ยลักษณะอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเป็นยุคที่น่ากลัวมันเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าในเราเราคิดว่าในในโลกมนุษย์เนี่ยอายุเจียมากแท้จริงเราอยู่กันไม่กี่ลมหายใจโดยสํานวนก็คือเทวดาหายใจไม่ถึงสองครั้งเราตาย ไม่ถึงสองครั้งหายใจเข้าหายใจออกไม่ไม่ถึงนี้เลยเราตายแหละเขาใจอย่างว่าสั้นมากสั้นมากๆไม่ใช่สั้นธรรมดาขนาดสั้นมากๆนี่นะชีวิตของเราเร า, เราคิดว่าว่าเราอีกนานอีกนานเลยก็คิดกันไปแต่ที่จริงไม่นานเลยทีนี้เรามาเหมือนเงื่อนไขของเราเนี่ยเราลื ม, มองพวกอย่างยกตัวอย่างเช่นมดตัวเล็กๆแทบไม่ต่างกันเลยไอ้มดตัวเล็กๆกับเราเนี่ย มดเขาก็าอยู่แบบประมาทเขาก็คิดว่าเขาอยู่นานนอนแ้่ตัวนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยู่นานยุ่งก็ตวัวเขาคิดว่าเขาอยู่นานนะทีนี้เขาไม่ได้เปรียบเทียบกับเราไงถ้าก็เปรียบเทียบกับเราเนี่เขาบอกน้อยนิดหน่อยงั้นะควเจริญกุศลควรบริพุทธมจรรย์วาัตว์ที่เกิดมาแล้วจกไม่ตายไม่มีพระเจ้าจะแสดงนี้ตลอดในสูตรนี้พระเจ้าแสดงให้กับคนอายุแปดหมื่นปีฟังในยุคก่อนนู้่นะอนไปเมื่อเนี่ยพราะพทะเจ้าเปรียบเทียบเนี่ย คนอายุแปดหมื่นปีเนี่ยเขาคิดว่าโอ้ยอายุนี้น้อยนิดเหมือนน้ำที่อยู่น้ำท้างอยู่บนยอดยาถภาคิดขึ้นมาพร้อมที่จะหลุดหรือหายเหืดแห้งหายไปแม้ชั้นใดชีวิตของมนุษย์นี่ก็นิดหน่อยมีความร้าแค่งมากมีความทุกข์มากจะพึงถูกต้องด้วยรัชยาเป็นต้นเห็หคนอายุแปดหมื่นาพิจารณามรณนะสติกันขนาดนั้นแล้วหรือเหมือนกับม้ที่ขี่ลงไปในน้าเนี่ย น้ำก็จะกลับข้อหากันรวดเร็วไม่ช้านานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกันนิดหน่อยมีความทุกข์มากมีความรับผิดชอบจกต้องได้เหมือนกันฉะนั้นควรเจริญกุศลควรประพฤติพรอาจารย์สาตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายมีเข้อสูตรที่เป็นวิจารณ์ตอนนีคนยุคก่อนคนยุคแปดหมื่นปีก็มาเทียบกับเราเมื่อแปดหมืนปีกับอืหไม่รู้จะเทียบยังไงเลยในชีวิตใช่ไหมบอกว่านิดหน่อยค่อนข้างมากเลยนะคแบบ บทีเราลองคิดลองลองทํางานดูนะถามหลายๆายคนนะที่มีงานการอะไรเยอะๆเนี่ยอ้ยหมดวันไปนทโอ้ยหมดวันไม่ได้ไม่ได้เลยเลยในนิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นเดี๋ยววันนี้ก็หมดวันนี้ก็หมดใช่ไหมลองมานอนดูสินอนแบบไม่ค่อยตื่นแป๊บเดี๋ยวเอาเที่ยงลุกขึ้นมากินอาหารเสร็จเดี๋ยวไปนอนสักหน่อยครับเอาเมื่อเดี๋ยวยังเงี้ยถึงบอกโอ้ยวันวันหนึ่งวัเร็วฉะนั้นถึงบอกว่า ตรงนี้ท่านสอนที่บอกว่าจากักขุนสีพิกษุทะลวงแล้วด้วยเหลาเหล็กอันร้อนชวนลุกรุ่ง ร, รวดชวดชว่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือเอานิมิตคือถ้าไปมองกันว่าถือโดยนิมิตเนี่ยเช่นเออถ้าไปเห็นในความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยท่านถือโดยนิมิตเนียโอนั้นหญิงนั้นชายนั้นพ่อนั้นแม่นั้นคนอะไรเป็นต้นเหล่านี้เราเห็นย่างไงถือโดยนุื่อยนน็นชนะก็คือเออคิ้วตาจมูกปากหูเป็นต้น ลักษณะที่ถือโดยนุกขยานเจนะก็คือไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านั้นแล้วเป็นปัจจัยทําให้กิเลสเกิดท่านว่าไม่เป็นฉะนั้นคำว่าสังวรนี่เป็นชื่อของสติคือการสํารวมในจักขุณสีโสตินรีการินทรียเป็นต้นสติสติเนี่ยถามบ อ, อกว่าการสํารวมหรือการไม่สํารวมในจกันจกรจักรุณสีย่อมไม่มีแม้ก็จริง เขาบอกว่าการมีสติหรือการลืมสติย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะสายจากกูประสาในการได้รูปอารมณ์มาสู่คลองก็จากกูในการนั้นเมื่อพวังเป็นไปสองครั้งดับเป็นต้นตรง น, นี้เขาว่าลําดับของวิถีให้ฟังนะเขาบอกว่าเวลาจะเห็นอารมณ์แต่ละครั้งตาเห็นรูปแต่ละครั้งนะมันจะเป็นไปว่ า, าหนึ่งไอ้รูปอารมณ์หรือสีต่างๆมันเข้ามาสู่คลองท่านใช้คําว่าคลองนะ คือจักกูคือตาเนี่ยเข้ามาสู่ครองจักกูคือตาเมื่อเข้ามาเบเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาผวังคือจิตนี่นะปกติเนี่ยจิตในไม่ปารครูปารมเนี่ยยังไม่ปารบยังไม่เห็นนี่นะต่อมานั้นจิตนั้นมันจะอย่างยกตัวอย่างเป็นผวังธรรมดาต่อมาก็ผวังก็ไหวขึ้นสองกันดับไปแล้วเนี่ยต่อมาก็คือปัญจทวาลวัชนะก็เกิดเขาเรียกว่า มโนธาตุป่ายกิริยาเกิดขึ้นทรรมกิจอาวัชนะสำเร็จแล้วก็ดับลงเออมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะวิถีจิตจะเป็นอย่างนี้และเมื่อปัญจทาาวารวัชนะเนะี่ยที่เป็นกิริยามโนธาตุรมอาวัชนะกิจการพิจารณารุปารมนั้นดับลงแล้วจักขูวิญญาณก็ทำทัศนกิจสำเร็จเสร็จแล้วก็ดับต่อมาสมปฏิชนะซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้น ทำสัมปชัญนากิจแล้วก็ดับต่อเดี๋นั้นก็มโนมโนวิญญาณธาตุอันเป็นอเหิตุกาวิบากคือสันติรณกิจเนี่ยทำกิจแล้วก็ดับลงประการต่อมาก็คือมโนวิญญาณธาตุอันเป็นอหิยตุกาวฝ่ายกิริยาก็เกิดขึ้น ท, ทํำวอดทพนาจิจเสร็จแล้วก็ดับลงแล้วต่อไปก็ชาวนะหนึ่งสอสามสี้าเจ็ดเนี่ยชาวนาคือการเสพอารมณ์ก็แล่นไปเป็นต้นแล้วก็ลงสุ่ภวังทีนี้ถ้า โทษจะบอกการในสมัยใดสมัยหนึ่งเนี่ยนะการสำรวมหรือไม่สำรวมย่อมไม่มีเช่นเดียวกันแต่ในขณะแห็นชาวนะจิตถ้าโทษเครื่องทุสีและความเป็นผู้หลงหลืมสติความไม่รู้ความไม่อดทนความเกียดคร้านเกิดขึ้นไซนี้เป็นการไม่สังวมความไม่สำรวมการไม่สังวมนั้นแม้เป็นอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นความไม่สำรวมในจักขุณสีคือบอกว่า แท้ที่จริงเนี่ยนะถ้าว่าให้ละเอียดลึกลงไปเนี่ยที่จริงเนี่ยทางในขณะที่ทางปัญจทวารเรนะเอยพะวังกับจิตเป็นไปสองขณะเป็นต้นแล้วต่อมาปัญจทวาราวรชนะจากปุญญาสัรรมปติชนะสันติรณวาวเทปนาเป็นไปอยู่ในขณะเนี้ยในขณะนั้นนะ่สติไม่เกิดหรอกหรือการหลงลืมสติไม่ได้มีในขณะนั้นแต่พอไปถึงสุ่งชาวนะที่เสพอารมณ์ตรงเนี้ย ถ้าเป็นการเป็นโทสะเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นโลพาโทสะโมหะเป็นอกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้นในขณะนั้นน่ะชื่อว่าเป็นความทุศีนเกิดขึ้นแล้วความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่รู้ความไม่อดทนหรือความเกียดคร้านอันนั้นเป็นการไม่สังวรแต่ถ้าหากว่าชาวนะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะเป็นกุศลเช่นมีสติเป็นต้นเกิดขึ้นในขณะนั้นอันนั้นชื่อว่าเป็นการสังวรเกิดขึ้น นี่เ ก, ก็ถามว่าเออทำไมจึงจัดอย่างนั้นเพราะเมื่อมีการไม่สำรวมในจักรคุณีนั้นเนี่ยทวารก็ดีพวังก็ดีวิถีจิตนีอาวัชนาเป็นต้นก็ดีย่อมเป็นอันพระโยคาวจรไม่คุ้มครองแล้วที่ท่านก็ อ, อุปมาบอกว่าเออถ้าหากว่าเราไม่สำรวนระวังนี่นะเปรียบเสมือนบอกว่าเมื่อประตูเมืองทั้งสี่ด้านในะคนครอันบุคคลไม่คุ้มครองแล้ว ภายในเรือนซุ้มของประตูและห้องเป็นต้นอันบุคคลคุ้มครองดีแล้วเม้ก็จริงถึงอย่างนั้นน่ยสิ่งของทุกอย่างในพระนครเป็นอันไม่ได้รักษาไม่ได้คุ้มคมรองด้ยเพราะโจรเนี่ยนะสามารถเข้าไปทางประตูพระนครก็รักสิ่งของได้ตามปรารธนาเชนเดงั้นโทษเรื่องทุศีลมันเกิดขึ้นในชวนะจิตเมื่อมีการไม่สํารวมชาวนาจิตนั้นทวารก็ดีระวังก็ดีวิถีจิตเป็นต้นอวัชนะเป็นต้นก็ดีเป็นอันภิกษุไม่ได้คุ้มครองเช่นเดียวกัน ท่านทาบอกว่าท่านอุปมาว่ามีเมืองเมืองหนึ่งมีประตูสีด้านแต่ทั้งสีด้านเปิดประตูไว้หมดเข้าใจไหมแต่คนในเมืองนั้นเนี่ยพากันปิดห้องแล้วอย่างดีแต่ชื่อว่าไม่ไม่ไม่คุ้มของเพราะไม่ได้ปิดประตูใหญ่ถ้าโจรก็เข้ามาเนี่ยถึงบ้านเล็กบ้านน้อยก็ ง, งัดเขารักได้หมดเลยเพราะโจรมันเข้ามาได้เพราะไม่ประตูใหญ่ไม่ได้ปิดชั้นใด คือในการเห็นอารมณ์ต่างๆจริงอยู่ทางทวารตาเนี่ยเป็นต้นหูจมูกริ้งกายใจเป็นต้นเหล่านี้เราเปิดไว้เปิ ด, ปดมันต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาไงไม่ใช่การปฏิบัตินั้นสอนตรงนี้ว่าไม่ใช่ไปหลับตาไม่ใช่เอาอะไรไปอุดหูหรือไม่ใช่ไปอะไรไปปิดจมูกหรือไม่ยอมกินอย่างเงี้ยหรือเอาอะไรไปแปะกายไว้ไม่ให้สัมผัสหรือไม่พยายามคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้การปฏิบัติไม่ได้ทําแบบนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีคําพูดกันบอกว่า ปิดหูซ้ายขวาปิดตาเสียบ้างปิดปากเสียบ้างแล้วจะนั่งสบายก็เขามีวิธีปฏิบัติบางบ้านเขเขียนอย่างนี้นะที่จริงไม่ใช่เนีมันเป็นหลักการปฏิบัติถามว่าปิดหูเนี่ยปิดได้จริงไหยการปฏิบัติไม่ใช่ปิดหูแล้วปิดตาปิดปากมันไม่ใช่เขาสอนให้สังวรให้ระวังเขาให้ปิดเกี้สังวรนี่ที่ไปแปลแล้วปิดเน่ยถูกไม่ถูก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 คือถ้เห็นแล้วทุศีลเนี่ยศีลขาดเอาการเห็นแล้วทูศีลได้ไหยได้เห็นแล้วทําให้เรากล่าวว่าจีทุจริตเป็นต้นก็ไดยกายทุจริตเป็นต้นก็ได้มีการท่าการลักเป็นต้นก็ได้เห็นแล้วทําให้เรากล่าวว่าจีทุจริตเป็นต้นก็ได้นี่นั้นสรุปก็คือว่าเห็นสิ่งใดแล้วเป็นปัจจัยให้ทู่ศีลเกิดขึ้นต้องปิดไม่บ่าปประเภทนั้นเกิดขึ้นหรือเราเห็นสิ่งใดแล้วเนี่ยเป็นเหตุทำให้ ทำให้อภิชาและโทมานาตต่างๆเกิดขึ้นเนี้ยมันขาดสติสังวรบางทีก็เมตตาไม่เกิดบางทีก็การมไมตกพยาบาทไม่ตกเกิดขึ้นเห็นแล้วไม่ได้พิจารณาเป็นต้นเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าศีลถ้าหากว่าศีลเกิ ด, ดยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่เห็นแล้วเนี่ยเนี่ย การมีศีลเกิดขึ้นมีสติมียานะคือความรู้มีความอดทนแล้วก็มีความเพียรเกิดขึ้นในขณะนั้นนะในในชาวนะจิตในขณะนั้นทวารก็ดีภวังก็ดีวิถีจิตก็ดีอวัชนะเป็นต้นก็ดีย่อมภิกษุคุ้มครองดีแล้วเหมือนอะไรพระนครนะเนีน่ถ้าปดประตูทั้งสีด้านปิดดีแล้วถึงแม้ในบ้านจะเปิดก็ไม่เป็ อย่างวัดนี่นะสมมติประตูวัดเนี่ยปิดไว้ดีทุกทั้งสี่ด้านเลยกุฏิที่เปิดได้สบายไม่เป็นไรหมายาคนในวัดไม่เป็นเนยนี่อุปมาแล้วก็จะอย่างนี้ไม่ได้ที่คนในวัดบอกว่าจะปิดปิดประตูนอกดีแล้วประตูในไม่ปิดก็ไม่เป็นไรอันนั้นเ็าเรียกว่าคุ้มครองดีแล้วฉันใดเมื่อศีลบังเกิดขึ้นในชาวนะจิต เมื่อสีเกิดสติเกิดญานะคือปัญญาเกิดความเพียรเกิดความอดทนเกิดขึ้นในชาวนะอันนั้นเรียกว่าเป็นการสํารวมจากขุนสีก็ในที่นี้สติสังวรนั้นบุรทราบว่าพระองค์ทรงประสงค์เอาแล้วบุคคลเมื่อสํารวมแล้วย่อมสํารวมในจักขุนสีชื่อว่าจักขุนตริยะสังวรสังวุโตผู้เข้าถึงแล้วด้วยการสํารวมจากขุนสีอย่างนี่เขาอยกสํารวมแล้วก็คือไม่ให้บาปเกิดท่านี้ อิกปการหนึ่งก็คือว่าปาติโมกสังวรการสํารวมในพระปาติโมคํานั้นบัณฑิตพึงรวมเข้าเป็นอันเดียวกันกับคําว่าสีและสังวรอันเดียวกันเนี่ยปาติโมกสังวรศีและสังวรอันเดียวกั น, นก็คือการรักษาสีพิกตูเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยจักขุนสีที่ชื่อว่าผู้สํารวมเพราะอาจจว่าสังวรระวังคือการกั้นการปิด สัมวนน์นียจักขุนศีก็คือพี่ผู้มีจกักขุนศีอันระวังรักษาแล้วก็คือแบบเออท่านคนนี้ยปิดแล้วปิดตาระวังรักษาไม่บาปเกิดขึ้นทางตาแล้วปิดกั้นไม่บาปเกิดขึ้นทางหูแล้วปิดกั้นไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้ว <S 2> <S 2> <S เหมือนการปิดบานประตูที่ประตูเรือนชนะหนนะเหมือนกันนั่นแหละ ท่านหาคือว่าผู้สำรวมระวังทางจากขุนศีอยู่อย่างนี้ด้วยการอยู่ด้วยยาบทใดบทหนึ่งเป็ตตนต้นเห็นไหมว่าทางตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจเนี่ยเราจะอยู่ในยาบทไหนก็ได้ถ้าเราป้องกันบาปได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้ก็จะนอนก็ได้ใช่ไหมบาปก็จะไม่มา ล, กลุกรามไม่ทําให้เราเดือดร้อนไม่ทําให้เรายุ่งยากจิตใจเออหน้าหน้าธรรมนั่นเอนนะถ้าเราสามารถปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจจะไปไหนก็ได้ แล้วเขาพาไปไหนแล้วก็ไปแต่ไปดูภูมิเรีย่ยวบาปก็ไม่เกิดไปได้ยินเสียงบาปก็ไม่เกิดไงถ้าทําได้อย่างนี้เก่งมากเลยตอนนี้สบายแล้วท้าทายบาปได้ <c ười> คนคนจะมา ย, ย, ยาั่วยวนยังไงก็ก็ไม่เกิดไม่เกิดเกี่ยวอาสวะสี่คือกามาสวาพะพวาสวะทิฐาสวะวิชาสวะ ความเร่าร้อนก็กิเลสคือความเร่าร้อนเพราะวิบากันทําความพับแท้ใจเราอื่นความจริงในะกรมมาสวะเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ชอบใจเพื่อเพลินในสิ่งที่เป็นอิทธารมมาปรากฏในจักรทวารด้วยอํานาจความชอบใจในการมเขาบอกิดความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่าเนี้นะถารมมาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเร่าร้อนไม่ใช่ความเร่าร้อนเพราะอะไรเพราะวิบากันทาความพับแท้ใจเหล่านั้นการมมาสวะม า, ากเกิดขึ้นแก่ใคร แกบุคคลผู้ชอบใจและเพื่อเคินในไหนในอิทธารมอิทธารมคืออารมณ์ที่น่ายินดีมาปรากฏตรงไหนอารมณ์ที่น่ายาาาาินดีที่มาปรากฏทางตาอารมณ์ที่น่าดีที่มาปรากฏทางหูเย right? อารมณ์ที่น่ายินดีมาปรากฏทางจมูกกลิ่นหอมมีไหมอารมณ์ที่น่ายินดีมาปรากฏทางลิ้นอาหารอ ร, อ, อร่อยอร่อยเนี่ยอารมณ์ที่น่ายินดีที่ปรากฏทางกายผมได้เสื้อผ้าได้สิ่งนิ่มๆ ต, ตตตตๆต่างๆมาสัมผัสกาย อารมณ์ที่น่ายินดีที่ปรากฏทางใจบอกบางทีเราไปที่ไหนหรือคิดถึงสถานที่น่าเที่ยวเพลิดเพลินเป็นต้นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากา ม, มาสะวะความยินดีพอใจในความก็คือส่วนภาะวะสวะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความยินดีความปรารถนาในพบว่าเราจักได้สมบัติเช่นนี้ในสุคติภพแม่นี่ภวาสะวะจะเกิดบางคนเนี่ย ให้ทานรักษาศีลแต่คิดต่อว่าเพรอย่างเรานี่ต้องได้สุขติภพหรือถ้าในในปัจจุบันเนะี่ยยังน้อยเราก็ต้องได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเป็นมนุษย์เราก็ต้องรวยใช่ไหมต้องรวยแนย่เพราะเราให้ขนาดเนี้ยเราให้ทานขนาดนี้บางคนพูดพูดคำนี้เลยเนี่ยเพราะอย่างยอมท้ายเกิดใหม่ก็ไม่ลําบากํามั่นหญ่ไงอุ้ยโอ้ให้มาให้มาตั้งแต่อายุแดขวบ ให้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยหวังอย่างนี้เป็นอะไรเป็นพรวาสวะยินดีในพบเนี่ยินดีในพบแต่คําว่ายินดีในพบเนี่ยเอาเป็นมนุษย์เนี่ยยินดีในพบของสัตว์เดรัจฉานได้ไหมได้ทำไมไม่ได้เพราะพอิสัตย์จึงเคยยินดีแล้วยินดีในพบของพญานาคพอไปเกิดจึงรู้ว่าโอ้เป็นอะไรทุกข์หรือในเรื่องหนึ่งยังไงีกเป็นขอทาน่ะ ก็เป็นขอทานอุ้ยลําบากมากอาหารหากินก็ยากมีอยู่วันนึงก็ไปเห็นเศรษฐีเข้ามาเศรษฐี เ, เามามีสุนัขโอ้โหสุนัขเขเลี้ยงเลี้ยงอย่างดีเลยพอต่อมาเขาก็แบ่งอาหารให้กินแต่อาหารนั้นเลวอาหารนั้นต่ํากว่าอาหารของสุนัขที่เศรษฐีเขาให้แต่พอมากินอิ่มเบลเสร็จมันชื่นใจนะนึกแม่แวะนะ่าไงกินอย่างกันเที่ยวนะ ออืถ้าเราได้อาหารตักครึ่งหนึ่งของสุนัขแล้วเรากงจะมีความสุขไม่ชีวิตของเรานี่มั น, ม, นมันแย่ยิบรสุนักนี่เฮ้ยถ้าเกิดใหม่ถ้าตายแล้วถ้าเกิดตายไปขอเกิดมนุษย์ที่ไม่อยากเป็นนะขอเป็นสุนัขของเศรษฐีดีกว่าเพราะนั ใ, ใ, ใจก็น้อมรักเนี่ยนอนไปเลยตายเลยได้ไปเกิดในท้องสุนัขตัวนั้นเน่ยแล้วต่อมาก็พอสุนัขตันั้นคลอด อ, ออกมาก็เลยเป็นหมาแสนรู้เลย เป็นหมาแสนลู้ทีนี้ก็เศรษฐีก็ทำบุญทำบุญก็มีพระเจก็พระเจ้ามาก็เลยสุนัขตัว น, นี้ก็คอยเวลาไปส่งมาครั้งหนึ่งก็เศรษฐีก็เออไปนิมนต์พระมาจะทำบุญยมาเขาวิ่งแบบไปเข่าเข่าเนี่ยคือเคยคุ้นเคยพระกัรู้นะเดิ น, เ ด, นเดินมาพระก็รู้เออ พอพระเริ่มเดินไปทางอีกทางหนึ่งก็ไปกัดกีวรดึงให้เข่าทางกอที่พระาอาจารย์กเป็นแล้วต่อมาหมานี่ก็ตายพอตายกนเปลี่ยนเซไปเกิดเป็นเทวดาก็เรียกเขาเลยมีชื่อว่าโคสกะเทพพบุตรเนี่ยคือเสียงดังเห่าเห่าจนตายตอนนั้นพระบาเจลพระเจ้าท่านไผ่ตอเป็นสุนัขท่านจากไปแล้วก็อะไรอะวัดเห่าเห่าจนตาย แล้วต่อมาตายจากเทพประวุฒิมาเกิดเป็นมนุษย์เพราเป็นคนเสียงเพราะเสียงดังมากเพราะอาศยการเห่าเอาเอาเสียงเห่าทบุญเลยเป็นโคสกะเศรษฐีมันเป็นเศรษฐีมิจิคนยินดีได้นะไอ้ยินดีสุขติพบไอ้ไม่ได้ยินดีสุขติพบยังไงครับดียินดีทุกขติอะพบที่เป็นทุกขติเนี่ยเป็นพระวาสว่าได้ไม่ได้ นั่ความยินดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามนุษย์จะไปยินดีเฉพาะว่าพ บ, พ, พบที่สูงขึ้นหรอที่มนุษย์ยินดีพบที่ต่ำใช่ไหมยินดีในการเป็นสัตว์เดรัจฉานบางคนพูดอย่างนั้นเลยนะมีเพลงสมัสมสมสมยโบราณใช่ไหมอยากเกิดเปน<笑><笑>็นนกไม่ได้ยินนะอยากเกิดเป็นนกเสดงอยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหม เพลงโบราณมีเยอะนะไอเพลงรักน่ะอยากเกิดเป็นนกเอี้ยงก็มีอยากเกิดเป็นนเ ก, ก, เ, ก เ, นนเขาก็มีอะไรเงี้ยก็แสดงให้เห็นชัดว่าเขาเขายินดีในภพของอบายภูมิอันนั้นเป็นทวาสวะคือยินดีพอใจในภพแค่พูดถึงในเรื่องของภพเนี่ยใ น, ในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยหรือในสายตาของคนที่เขาปรารถนาจะพ้นทุกข์เนี่ยก็ เ, เห็นภพทุกภพประจุจังไฟมาก เขาไม่เห็นเป็นที่น่ารื่นลมหน้ายินดีอะไรในใจเหมือนสายตาของบุรชนทั่วไปเลยใช่ไหมบุรชนเนี่ยเออดีนะมีความสุขการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเด่นจริงไม่มีดีเดี๋ยวแต่ละคนก็โอ้เยเต็มไปด้วยโครคภัยไข้เจ็บเท่เหมือนจะมีความสุขกันก็เอามีมีเครื่องรอเยอะมากทุกวันเนี่ย้งแต่เด็กๆแล้วเห็นไหมเกิดมาแล้วก็ถูกหลอกถูกรอ่อตั้งแต่เด็กแล้วมีของเล่นเราของเล่นมันน้อยลราติด มาติดของเล่นนะพอโตขึ้นมาหน่อยก็คือเขาจะมีเครื่องล่อล้วตลอดนี่นะตามมาคุณเนี่ยถูกแล้วถูกล่อหลอกมันเด็กเกิดมานะแล้วก็จะถูกสอนใช่ไหมถ้าเด็กอยากให้เด็กฉลาดก็จะต้องมีของเล่นแบบไหนแบบไหนให้เล่นอะไรสารพักพอหลังจากโตขึ้นมาโตขึ้นมาบางคนให้ติดเนี่ยสอนให้ติดให้ยึดแล้วถูกสอนแบบนี้ตลอด ไม่มีแลนะแต่ละคนที่ว่าพอลูกเริ่มจําความได้แล้วสอนให้ลูกรู้จักเจริญกุศลรู้จักการปล่อยลัปล่อยวางเราไม่ได้ถูกสอนแบบนี้มาเลยนะชีวิตใช่ไหมชีวิตสูกสอนให้ยึดให้ติดให้ทํามาหากินให้แสวงหาเงินหาทองหาบ้านหาอะไรแล้วถูกสอนแบบเนี้ยคนมีบุญเท่านั้นที่จะคิดตรงกันข้ามได้ใช่ไหมแล้วถูกสอนให้แบบเนี้ย ออต้องทำมาหากินต้องมีบ้านมีช่องต้องมีหนา้ามีตาต้องอะไรต่างๆนี่ก็คือให้ยึดติดกับสิ่งเหล่าเนี้ไว้ก็เหมือนกับเจ้าชาสิท ธ, ธาใช่ไหมถ้าเจ้าสุธอดานาก็เอาอะไรมาล่อวิถติดแต่เราไม่ได้เกิดในตระกูลอย่างงั้นแท้เราก็เลยไม่มีเครื่องล่อเยอะถ้ามีเครื่องล่ออย่างนั้นสงสัยยังไม่ออก <c oughs> ออกไม่ได้ครับเครื่องกล่าวไว้ในกคำพีเนี่ยแปดหมื่นสี่พันนางนะนางสนมที่คอยดูแลเจ้าชาสศิท ธ, ธาเนี่ย แปดหมืนสีพันนั่งนะโอ้โหจะเป็นหลายๆคนมีคนคอยดูแลขนาดนั้นมีเรื่องที่จะพาออกจากกวามมรุณขนาดนั้นใช่ไหมออกไปอยู่ในป่าโดดเดี่ยวเยี้่โอ้โหมันใจมัต้องแน่จริงๆนะถึงจะคิดได้อย่างนนคนต้องมียานปัญญาค่อนข้างดีแก่กล้าจริงๆที่จะคิดหักมุมได้คิดออกจากทุกตรงนั้นได้มียุอมอยู่คนหนึ่งที่อยู่ตรงไหนโรงพยาบาลศิริราชมันะนก็มีที่รักวาง ไอวาเป็นก็ไปที่เช่าด้วยเนะียแล้วก็เคยปวดเดืนอนนายงวันนี้วาเ น, นี่ที่เช่าแกไม่ยอมไปไหนเลยแกกลัวจะเสียสิทธิที่แกก็จะขายไม่ได้แล้วเดินก็จะเดินไม่ได้แล้วแกก็ต้องไปขอนั่งตรงนั้นเอาของอะไรไปวางขายนิดหน่อยแกกลัวจะเสียสิทธิที่ตรงนั้นเอาวาไม่ใช่ที่ตนเองดนะ้วยเนี่ยคือสามวางวางขายของได้นะอะไรได้เพราะถ้าหากเราไม่ขาย หรือว่าเกี่ยวกับญากพี่น้องไม่ขายของตรงนั้นเบ็ดเสร็จสิทธิ์นั้นก็เสียให้เขอื่นเซ้งไม่ได้มันจะมีกติกางมันอย่างนั้นแกก็โอ้โหเขต้องลากทั้งฐานไปก็ว่าั้นไปไหนก็ไม่ได้ผมมาวัานนี้ถามทำไมเนี่ยก็ต้องมาคนนั้งนั้นเดี๋ยวคนอื่นก็นยึดที่วาเดียวตรงนั้นแหละแล้ว ล, ลองคิดดูที่ว่าชีวิตที่จะต้องไปอยู่กับที่วารเดียวตรงนั้นทั้งวันใช่ไหม ตอนประมาณทุ่มสองทุ่มก็กลับไปที่บ้านช้าก็ต้องมาอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่อย่างนั้นในชีวิตเนะ่ยอยู่จนจนจเดินไม่ไหวแล้วตั้งแต่ทีนีนะ้ใจที่ผูกอยู่อย่างนั้นนะ่ะถามว่าถ้าใกล้ตายแล้วใจผูกอย่างนั้นแล้ควรจะไปตรงไหนยังไง น, น, นี่ก็เป็นเรื่องดีดี ท, ท, ท, ท, ที่ควรควรเจามาคิดเอามาสัางวรระวัง การไม่ได้พิจารณาถ้าคุยธรรมะคุยอะไรก็รู้หมดนะสอนคนอื่นได้ประเภทขวานเนี่ย น, นะขวานนี่ถักสิ่งอื่นได้หมดแต่าถาักแต่ด้ามตัวเองถักไม่ได้เพรานนะอะไรเนี่ยประเภทขวานมีใครที่เขาไปไปบรรยายทำแล้วยอมเอาขวานก็นพัดล ม, มวัตถะยศไม่เอาขวา น, นวัตถะขวานกนยมเนี่ยมันแปลกมันชอบถากคนอื่นไม่ถากด้ามตัวเองดกสะดุ้ง <c oughs> เอาแล้วพัลลดลมปอบคนอื่นเย็นแต่คนมันร้อนกเสร็จลยนี่เขาเรียกว่าไม่สอนเลยเยอะิดต้องระวังเลยสอนลูก ม, กมาแล้วแม่ทาได้หรือเปล่าเลยยุงเลยสอนไม่ให้หนูโกรธเยเจอเห็นแม่โกรธทุกวันยยุ่งเลยเขา ย, ย้ายอนเราไม่ยุ่งบางคนก็บอก ให้ทําอย่างที่ข้าพเจ้าพูดแต่อย่าทำอย่างนี่ข้าพเจ้าทำแบบอย่างว่าพูดยังไงทำตามนั้นแต่าอาจจะทำยังไงอย่างนี้ไม่ต้องตามามก็ใครเลยทีนี้ภาวาสะวะเกิดขึ้นโดยมีความยินดีความปรารถนาในพบว่าเราจะได้สมบัติเช่นสุขติพบเป็นต้นแม้อื่นๆก็ได้ ทิฏฐาสะวะบังเกิดขึ้นแก่ทิศุผู้ยึดถือว่าเป็นสัตว์หรือเป็นของสัตว์ทิฏฐาสะวะหรือทิฏฐีความเมินผิดเนี่ยคือไปยึดถือโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้ตัวทิฏฐีเนี่ยไม่ใช่แค่ยึดถือโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลแม่เท่านั้นเนี่ยยังไปยึดถือหรือไปเข้าใจผิด ถ้ายึดถือหรือเข้าใจผิดที่หนักๆนะเช่นทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้นเหล่านี้หรือว่าการบูชาไม่มีผลคุณพ่อแม่ไม่มีเป็นต้นเหล่านี้ยนเป็นลักษณะของวิชาที่ตีทานให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบวงสรวงไม่มีผลผลของวิบากกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโรคหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มี สัตว์ที่เป็นโอเปปาริกะไม่มีสมณญพาหมผู้ตัดสู้ดำเนินโดยชอบหรือเขาจะรู้แจ้งแทงตลอดสัจจะโดยตนเองไม่มีเป็นต้นเน่ยความเห็นขนาดนี้เป็นความเห็นที่ยุ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิที่รุนแรงมากแต่ถ้าหากความเห็นผิดที่เกิดขึ้นกับบรรดาชาวพุทธทั้งหลายที่ศึกษาพระธรรมนเนี่ยเป็นถึงเรายึดถือในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะยึดถือใยความเป็นเราเป็นของของเราเป็นต้นนี่ ยึดถือด้วยมานะยึดถือด้วยทิฐิถ้ายึดถือด้วยทิฏฐิก็คือยึดถือเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไปตรงนี้สําคัญมากเพราะเมื่อความมีความยึดถืออย่างนี้เบ็เสร็จแล้วเนี่ยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วท่านยิงเวลาเวลาปฏิบัติเนี่ยท่านยิงสอนเนี่ยให้สอนให้พิจารณาแยกโอ้โหนี้เป็นรูปธรรมนะนี่เป็นนามธรรมนะยกตัวอย่างเช่นดินน้าไบลมที่ประกอบกันด้วยเนี่ยนะอย่างเช่นในผม ขนเลฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจไตตับพระอดทั้งพืชไส้ใหญ่ไส้เล็กอาหารใหม่อาหาเก่ามาันสมองมันต่งต่างๆตัวนี้ก็ประกอบไปได้วยดินน้ําไปลมทุกส่วนของร่างกายทั้งหมดนี้ประกอบไปได้วยดินน้ําไปลมประชุมกันอยู่นี่นะอันนี้เป็นส่วนของรูปรูปธรรมนี่อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนนามธรรมคือจิตและธรรมะที่เกิดร่วมกันกับจิตแบบนั้นเนี่ยทั้งสองส่วนนี้เป็นรูปธรรมและนามธรรม ทีนี้พอสองส่วนรวมกันเรามาเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกเป็นขันก็ได้เรียกเป็นรูปเป็นนามก็ได้เป็นรูปประขันเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาขันเป็นสังขารขันเป็นวิญญาณขันรวมเป็นกันแต่พอไปบอกว่าเออมีชื่อนะพอมีชื่อมีแยกแยะโดยความเป็นหญิงเป็นชายโดยการสมมุติขึ้นมาเขาก็กล่าวบอกว่าเออมนุษย์เขาถามว่ามนุษย์ ในโลกในโลกมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นการเกิดขึ้นของมนุษย์เนี่ยเกิดยังไงแล้วก็สัตว์ที่มาจากพบไหนมาเกิดในมนุษย์เนี่ยเขาก็กล่าวว่าในในพระสูตรท้านก็กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบอกว่าโลกนี้ก็เกิดมาจากการรวมกลุ่มกันของดินน้ำไปลมจากก้อนเล็กๆแล้วก็รวมโตกันใหญ่ๆขึ้นมาก็กลายเป็นโลกใบนี้เป็นดาวดวงหนึ่งขึ้นมาต่อมาก็คือมีพรหม มาจช่อีกโลกหนึ่งก็มาโลกแบนี้บอกโอ้โหพรมเหล่านั้นล้วนจะมีแสงสว่างในตัวเต็มไปหมดเนี่ยในยุคนั้นก็คือว่าไม่ต้องใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เพราะว่าพวกพรมเนี่ยเขามีฌานมีสมาบัติมีอภิญญามีบุญกุศลมากตัวเขาแสงสว่างแล้วได้งามมากนี่พอมาอยู่แล้วเนี่ยสภาพของตัณหาก็เกิดความยินดีความเพลิดเพลินเพราะการบรรณาเกิด เพราะว่าตัณหาก็เกในความยินดีพอใจในการมาคุณความยินดีในพบต่างๆก็พอสภาพของตัณหาต่างๆเกิดขึ้นมาในสภาพของแสงสวา่างก็ลดลงๆๆ <S <S เรือยิ่มและเริ่มจะการเป็นมนุษย์นะใหม่ๆจริงๆไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเพศไม่มีอะไรต่างๆแบบนี้เพราะอยู่ด้กําลังของฌาเพราะสภาพขอชฌานนั้นเสื่อมไปด้วยอํานาจกามคุณที่เกิดขึ้นแก่ใจ <S <S สภาพของไอ้คุณวิเศษทั้งหลายมีการหอกมีการอะไรต่างๆเแบบนี้ได้ก็หายหายไปก็กลายเป็นมนุษย์ธรรมดา นักเข้านักเข้าว่าพอเกิดความยินดีเพลิดเพลินขึ้นมาเนี่ยก็เกิดมีเพศมีอะไรต่างๆขึ้นมานักเข้ากม็มีการกระทําสิ่งที่ผิดแปลกต่างๆออกมานะลักษณะอย่างนี้ก็คือว่านักเข้าก็คือว่ามีการสมมุตินี่เป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้ชายไอสมมุติตรงเนี้ยคือจริงเอาขันห้ามาสมมุติด้วยความเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็มีการเป็นตั้งชื่อทั้งอะไรกันข้น แบบในทิฏฐีตอนนี้ก็เข้าไปยึดยึดไปยึดมามันกันแน่นเลยในฝังแน่นเลยความไม่แยกแยะไม่เห็นต่างว่าเป็นจริงเนะ่ยนั้นสภาพของทิฏฐีเนี่ยมันก็ยึดอันนี้ถามว่าในสังสารวัต ท, ที่ผ่านมาเนี่ยเรายึดแบบนี้มาไม่รู้เท่าไหร่ฉันเวลามองที่จะแยกแยะเนี่ยมันมองไม่ออกแต่ถ้ามองโดยบรญญับโดยการสมมุติเป็นต้นเหล่านี้ยโอ้เห็นชัดแล้วกเกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความยึด ลักษณะอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นทิฏฐาสวะเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นโดนความไม่รู้ซึ่งบังเกิดขึ้นกับอาสวะทั้งหมดอันนั้นเป็นอวิชชาไม่รู้ว่านี่เป็นกามาสวะสนะไม่รู้นะอนี้เป็นภวะสวะไม่รู้นะอันนี้เป็นทิฏฐาสวะไม่รู้ว่านี้เป็นอวิชชาแล้วก็คืออวิชชาสวัสอาสวะสี่ยอดบังเกิดขึ้นอย่างที่กล่าวเนี้ย แม้กิเลสทั้งหลายเหล่าอื่นซึ่งสัมยุตศกับอาสวะเหล่านั้นความเร่าร้อนความคับแค้นความโกรธกบายหรือวิบากในพบต่อไปของกิเลสเหล่านั้นเหล่าใดแท้ที่จริงกิเลสเป็นต้นเหล่านั้นท่านกล่าวว่าเพิ่งกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่สมรวมเหมือนกันเขาบอกถ้าหากอาสวะต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้กนก็กิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็เจริญยิง่งยิ่งขึ้นไป ฉะนั้นลักษณะของกามาสวะพวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะการไม่สํารวมใช่ไหมเพราะการไม่ปิดไม่ปิดตาหูาจมูกลิ้นกายและกระจใยเป็นต้นเมื่อไม่ปิดทวารตาหูาจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเหล่าเนี้ยบาปอคุณตนที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญไทบุญมากยิ่งขึ้นนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่ในข้อที่บอกว่า พิกษุไม่ไม่ไม่ไม่ปิดบาปเขาเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการด้วยการด้วยการสังวรด้วยการปิดด้วยการกั้นเขาบอกว่าพิสุพิจารณาโดยแยกคายแล้วสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายและก็จจอันนี้เขาเรียกว่าละได้ด้วยการสังวรพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพิกสุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้คือการมาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะวิชาาสวะ เราจะถากล่าวว่าจะพึงล่าได้เพราะการสังวรใช่ไหมก็มีก็มีปาฏิโมกข์สังวรเป็นต้นแล้วนะประการที่สามพระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาสวะเราได้ที่จะพึงล่าได้ด้วยการพิจารณาการเสพก็คือดูก่อนพิกษุทั้งหลายพิกจาในพระกรตถวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเสพจีวร เพียงเพื่อกำจัดความหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือกยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานเพียงเพื่อปกปิดเอาไว้ว่าที่ให้ความละอายกำเริบพิจารณาโดยแยกคายแล้วเสบบินธบาตไม่ใช่เพื่อจะเล่นบิณธบาตในที่นั้นคืออาหารไม่ใช่เพื่อจะเล่นไม่ใช่เพื่อมองเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อให้กายนี้ดารงอยู่ได้เพื่อให้เป็นไปเพื่อกําจัดความทิบาความลําบาก เพื่ อ, อนิยค้อแก่การมีพุทธพรหมอาจารย์ด้วยคิดว่าจะกําจัดเวทนาเก่าเสีย ด, ด้วยจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วยความเป็นไปโดยความไม่มีโทษและความเป็นอยู่โดยปราศด้วยจกมีแก่เราดังนี้เป็นต้นเนี่นะแล้วก็พิจารณาโดยแยกคาเสเ ส, เสนาสนะที่อยู่อาศัยเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรในทัศนะในความเห็นของในในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพพุทธเจ้าบอกว่า เพียงเพื่อกําจัดความหนาวออมีเสน่ห์นาสนะที่อยู่เพื่อกําจัดความหนาวความร้อนสัมผัสแห่งเหลือยุงลมแดดและสัตว์วร้ายการเพียงเพื่อบำเพเทาอันตรายแก่ฤดูดูดร้อนฤดูหนาวฤดูฝนนะเพื่อรื่นลมในการหลีกเล้นอยู่พิจารณาโดยแยกใครเป็นไปลักษณะอย่างแล้วก็บอกว่าพิจารณาโดยแยกใครไปแล้วว่าเสพบริขารคือยาอันเป็ปัจจัยแก่คนไข้เพื่อกําจัดเวทนาที่เกิดแต่อาพาสต่างๆ ในอาพาธที่เกิดจากโรคต่างๆจากคูโระโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคลิ้นโรคกายโรคใจเป็นต้นนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อความเป็นผู้ไม่อาพาธเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดูดก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะคือความเร่าร้อนอันกระทำความขับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่พิจารณาเศษปัจจัยอันใดหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันทางความขับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้พิจารณาอยู่อย่างนี้ พระอาจาบอกว่าถ้าภิกษุพิจารณาอยู่อย่างนี้อาสวะคือการมอาสวะภ า, าวาสาวะทิฏฐาสวะวิชาสาวะจะไม่เกิดนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราจะถามพุทธกล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการพิจารณาคือการเศษตรงนี้ท่านก็สอนบอกว่าเออการพิจารณาแปบลบว่าการเศษเนี่ยจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่การที่ป้องกันป้องกันไม่ให้อาสวะทั้งหลายเกิดขึ้นเอ ในเรื่องการพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาตามคำสอนอย่างนี้แล้วทำให้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นโดยเฉพาะถามว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในเพศของคารวาดเป็นต้นอล่าเนี่ยเราจะเอาสูตรหรือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้ไปใช้ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นพิจารณาแล้วใช้สอย ปฐมบทวดด่งางอาสวะที่พึงรัได้ด้วยเสยวนาคือการซ่องเสวการใช้สอยการบริโภคภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายและใช้สอยกีวรท้าเครื่องดุง่งโฮมเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนบำบัดสัมผัสนั้นเกิดเกลือกยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานกินเพื่อปกปิดเอาไว้ว่าที่ให้เกิดความร้อ น, น้นประการหนึ่งนี่คือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดุง่งโฮม ถ้า่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องตุงห่มเนี่ย น, นะวัตถุประสงค์จริงๆคือป้องกันอย่างนี้จริงๆนะหนึ่งหนาวร้อนหรือว่าเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคานแล้วก็ปกิดอวัยวะเพื่อไม่ให้อายแค่เนี้ถ้าเราว่าเราเราคิดแค่ตรงนี้แล้วกิเลสจะไม่เกิดจริงๆนะแต่โดยมากที่ผัผ่านมาไม่ได้คิดกันแค่ตรงนี้ เวลาเราจะไปดูเสื้อผ้าเนี่ยเราก็คิดไหมเอออันนี้จะทําให้เราป้องกันความหนาวได้ความร้อนได้อันนี้จะป้องกันยุงเอยเหลือหรือสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายจะมากัดมากินเนี่ยวิ่งแดดเนี่ยนะเออออันนี้มันมิดชิดดีเพื่อไม่ให้เกิดความระอัยถ้าตรึกพิจารณาแค่อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะเนี่ยไม่ต้องไปไขควงลึกซึ้งมากอะไรนะแค่แค่ตรงนี้ก็จะสบายใจแต่ได้มากคนเราโอ๊โหนี่สีสวยดี อย่นี้ต้องแตงานอะไรใช่ไหมมันจะตะเอย่างองจริงไหมตะเคีดยดยังไงแต่ถ้างน า, างนาา ง, งานงา น, งานตายทต้องสีนี้งานบวชต้องสีนี้งานแต่งสีนี้ใช่ไห ม, มเรียกแต่งงานสังคมงานอะไรต่างอะไรต่างไปงงไปเออนี้อันนะี้ใส่ไปเชีดีแน่เลยแท้ที่จริงโดยสูตรโดยคำสอนเนี่ยพระเจ้าบอกว่าการใช้สอยเครื่องนุ่งห่มเนี่ยหนึ่งถ้าอากาศหนาวต้องการหนาวได้ไหม ถ้าอากาศร้อนเนี่ยเห็นไหมป้องกันร้อนได้ไหมแล้วเหลือกยุงลมแดดเนี่ยป้องกันได้ไหมหรือสัตว์เลคลานเนี่ยใช่ไหมมันจะไปขบมากัดกันหรือที่สําคัญมือปกปิดอวดัวยวะเพื่อไม่ให้เกิดความลอะอะไรเกิดความคือคนคนยุคแรกๆต้นๆเลยเขาไม่อายกันตรงนี้เพราะว่ามนุษย์ยุคแรกมีแสงมีแสงจางออกตามตัวก็งามหมดใช่ไหมไม่ต้องมีเสื้อผ้าปิดก็างามดู้็งามมากนี่นะ แต่พอต่อมาเนี่ยมันมีกิเลสคืออาสะวะทั้งหลายมีการอาสะวะเป็นต้นไปเกิดขึ้นมันก็ทําให้แยกเพศเป็นหญิงเป็นชายต่างขึ้นมามันก็อายเพราะอายก็ต้องเริ่มหาเสื้อผ้ามาปกมาปิดขึ้นแต่สมัยก่อนบ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาปลูกไว้ป้องกันอย่างนี้เหมือนกันป้องกันปกเพื่อไม่ให้เกิดความอายเป็นงเช่นหรอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีบ้านเพื่อป้องกัน เป็นต้ น, ห น, นเหราจีรจะมจะต้องมีการออก้องออกแบบ อ, อกแบบให้คนอื่นดูแล้วสวยไงใม้ติดเสื้อเสื้อผ้าบรรดาเครื่องนุ่งหม่มเดี๋ยวนี้มันไปจนถึงระดับโลกแล้วนะเครื่องนุ่งห่มเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคือทำยังไงที่จะเป็นเครื่องลอดใจให้คนยึดคนติดถ้าหากว่าคิดอย่างคำสอนของพระเจ้านี่ไอ้ไอ้ เครื่องดีไซน์สากที่ออกแบบเสื้อผ้เสื้อผ้ามายังไม่มีชุดประหลาดประหลาดเลยออกมาชุดบางชุดนี่ประหลาดมากเนี่ยออกมาแบบประหลาดเล้ดูใหม่ๆก็ประหลาดกันแต่บางคนมีสนมากโอ้ดูดีดูดีคือบางชุดเนี่ยใช่ไหมใส่เนี่ยรากเป็น ว, วาวเลยะจะต้องมีคนคอยถือคอยถื อ, อ, ถอผ้าตามเดินเดินไม่ได้อ่ะโดนเดินแล้วบอกโอ้ไม่เหมาะเลยจะเกิดสงครามขึ้นอะไรเครื่องมานี่ยุ่ง แล้วใครจะไปมัววิ่งถือตรงนั้นลาบอย่างั้นเขาไม่สนใจหน้าตาดีไม่ดีไงก็ไม่สนใจเขาตัวรอดด้วยก่อนถ้ามันเกิดสงครามไม่เกิดปัญหาเกิดภูทรกับไฟวาจาไฟขึ้นมาไฟไม่เพนเลยติดนั่นติดนี่อยู่นั่นเลยให้สังเกตดูดีตอนเกิดไ อ, อซูอนามี่เกิดอะไรนี้ไม่มีเสื้อผ้าปิดตัวกันเลยพอติดแล้วมันหนักไปหมดต้องเอาออกหมดเลยยังไงเอาลอดไ้วยก่อนให้ตัวรอดด้วยก่อนแต่ก็ไม่รอดใช่ไหม เนี่ยรักหนางนี้ก็เรียว่าพิจารณาโดยการเอ่เอการอาสวะทีละได้โดยการโดยการส่องเสร็จโยการพิจารณาตรงนี้ท่านก็นสอนบอกว่าท่านสอนบอว่าจีวรหรือเครื่องนุ่งห่มนี่นะแต่บอกว่าถ้าหากไม่พิจารณาแล้วจะเป็นปัจจัยเกิดการมอาส ว, วะ จะเป็นปัจจัยเกิดการมาสะวาคือความยินดีความติดใจบางครั้งก็เป็นปัจจัยเกิดภาวะสวาก็ะาะจะทําให้เป็นปัจจัยการเกิดในภพคือถ้าศึกษาคําสอนดีๆพวกเราก็ไปเห็นโอ้เทวดานี่ย เ, เครื่องหนุ่มเขาเป็นทิพย์ใช่ไหมได้ภาพที่เป็นทิพย์อาหารก็เป็นทิพย์ใช่ไหที่อยู่ก็เป็นทิพย์ยกตัวอย่างเช่นว่า ที่เราไปไหว้พระธาตุแล้วมีวิมานสูงเป็นตั้งสิบยอดยี่สิบยอดหรือหรือปราสาทเวชยันปราสาทของท้าวสกาเนี่ยโมโ้สวยงามมาก <c oughs> นักกลมเหล่านี้คือติดในพบกันงั้นเลยนะแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายพึงบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อโมวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเออเรา เราจะมีของว่างไนะของกินเล่นใช่ไหมอันนี้ก็ผิดหลักการอีกนนี้กินเล่นแล้วของกินก็ต้องอร่อยอร่อยก็มัวเมาประดับเป็นไงแล้วก็ทำให้ร่างกายดีทำให้สุขภาพดีอะไรต่างอะเนี้ยนะพวกบรรดาอาหารเสริมอาหารอะไรต่างๆ เพื่อยงชีวิตเพื่อระ ง, งับความลำบากเพื่ อ, อนุครอบตรวมาจาย์โดยคิดว่าการบริโภคอาหารนี้จกบำบัดเวทนาเก่าโดยหลักการก็อยู่ตรงไหนคือเวลาหิวขึ้นมาเนี่ยทุกเวทนามันเกิดขึ้นทีนี้การที่จะแก้ทุกจะบาบัดเวทนาเก่าด้วยการไม่ให้เวทนาเก่ามันกาเริบก็ต้องใช้อาหารเข้าไปหยอดมันเหมือนกับกวีย น, นี่ย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 แต่อย่าไปใส่เกินนะใส่พอดีถ้ใส่เกินเป็นปนัญห า, ยาเยอะก็ก็ใส่พอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเวทนาเก่าก็ก็ดับไปไม่ทําเวทนาใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมก็แปลว่ากําจัดเวทนาเก่าไปเสร็จแล้วเนี่ยอทุกเวทนาใหม่ก็จะไม่เกิดเพราะเราป้องกันไวนะ้แลเราจัดดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความไม่มีโทษและความเป็นอยู่ในภผาสุขก็จะเกิดขึ้น เพื่ออะไรเพือพ่อประพฤติพรห ม, มจัรย์เป็นต้นเหล่านี้ไอ้ตรงนี้ท่านก็ต้องมาท่านก็พิจารณาท่านก็พิจารณาเอออาสวะเหล่าเนี้ยจะพึงละได้โดยการโดยการพิจารณาเนี่ยท่านก็สอนบอกว่าเออการพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของที่อยู่ออาหารเครื่องนูน้มเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่บอกว่าไม่ พิจารณาโดยแยกกายเสพอาหารบินนาบาดไม่ใช่เพื่อจะเล่นนะไม่ใช่เพื่อมัวเมาเนื้ไม่ใช่เพื่อประดับเนะไม่ใช่ตกแต่งเนืเพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้เป็นไปเพื่อเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่โคมอายันตรงนี้สำคัญมากที่บอกอนุเคราะห์โคลมมาญยออถ้าเช่นถ้าปรารถนาจักบรรลุมักกับโรมอายันบรรลุมักผลเนี่ยออต้องมีอาหาร เป็นตัวค่อยพยุงในการที่จะเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ความเป็นไปความไม่มีโทษความมีอยู่โดยสบายจักรมีแก่เราดังนี้เป็นต้นอันนี้การพิจารณาเรื่องอาหารไอตรงนี้ก็เน่ยต่อไปก็คือว่าฝึกฝึกการเติะการใช้มไหมหนึ่งใช้เครื่องนุ่งห่มก็พิจารณาต่อไปก็สะดวกขึ้นใช่ไหม โอ้โหถ้าอย่างนั้นมันจะจะลําบากเยอะนะพระก็ลําบากปัจจุบันเนี่ยบางทีบางทีมีเครื่องนุ่งห่มเยอะอย่าเงี้ยก็ก็ไม่สลับใช่ไหมแทนที่จะได้บุญก็เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บวะแต่นี่โอโ้โหเวลาจะไปไหนมาไหนทีก็จะยุ่งยากเรื่องจีวรนี่แหละเรื่องจีวรก็จะยุ่มสมัยนี้จีวรค่อนข้างเยอะแต่ถ้าหากว่คนเขาฉลาด ได้ยีบไว้มาเขาเรียบทำบุญทำบุญทำบุญลงนี่เขาได้บุญกขาตลอดใช่ไหมนี่คาว่าทําไงถ้าได้ได้เสื้อผ้ามายเยอะก็แจกบ่อยๆบางคนก็ทํากันอย่างนี้เนี่ยเขาบอกโอ้โหของโยมซื้อกันมาเยอะหมดเลยเขาบอกอ๋อทำไงแจ ก, กเยอะบ้าแจกคนก็ยากจนคนที่ก็ลําบากมีเยอะทำไมเอาของดีๆแจกเข้าไป เหลือไว้ไม่ทําเยอะหรอกขนาดบางคนมึนไปหมดเลยไม่รู้จะใส่ชุดไหนนี่ยแดงไปเยอะเกินไปแนะใช่ไหมบางคนมีเป็นร้อยชุดเนะียไอเครื่องนุ่งห่มนี่เกินก็เหยีแล้วมันใส่ได้ทีละร้อยที่ไหนใส่ทีละตัวเป็นนะ่เนีบางคนมีเป็นร้อยชุดนั่งคิดอยู่ในเวลาจะออกงานไม่รู้จะใส่ชุดดูมันก็ไม่ต่างเลยก็คนเดิมยังไม่ใส่ก็คนเดิมใส่ ต่างมั้ยยอมพี่ตัางมั้ยให้ประตำการในคนชวโอ้เสื้อนี่สวยจังแล้วไม่ไม่โกรธบ้างมือผสมเดี๋ยวเชื่อเชื่อชุดนี้สวยจังหาไม่ยากอีกชุดสวยเสื้อสวยบอกถ้าพูดอีกโกรธนะถาครับ ที่ใสมาไม่ยอมเชื่อชอบคนใจก็ก็เป็นอย่างนี้ทำงานในชีวิตเราต้องการในต้งการเครื่องต้องการจุดบำรุงเหมือนทำให้ใจเราสดชื่นกับว่ายังยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าเกิดคนบอกโอ้ย่าแต่งมากเลยแกมากแล้วใครควรจะโกรธดโกดธ ไปเขวดาหายใจไม่ถึงสองครั้งเราก็จะตายแล้วอะไรก็คิดเห็นยังมัวมัวมัวลุ่มหลงอยู่อะไรกับการการถุงเสื้อผ้าถ้าย่างนี้เขาใส่หาพวกไม่ได้จริงเยนะถ้าไปพูดพูดเลือไปกินอาหารกันนี้นปฏิสังขารโยนิโสปินตปาดังพิจารณาวิญญาณบอกว่าออลองลองไปท่องดูดิสมมติว่าจะไปกินอาหารปุ๊บต่อหน้าขึ้นเดี๋ยวเดียเด๋ยวเพื่นเพื่อนจะ่าบอกว่า พิจารณาแล้วจะกินจะทานทานอาหารหรือทานอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อให้การนี้ดำร ง, ลงอยู่ได้เพื่อให้เป็นไปได้เพื่อกําจัดความลาบากเพื่ อ, อนุเคราะห์แก่การจะเจริญกุศลอย่งจริงขึ้นไปเพื่อกําจัดเวทนาเก่าและไม่ทําให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความไม่มีโทษความเป็นอยู่ด้วยตาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้นะต้องคนเอ้ บรรยากาศอาหารไม่อร่อยเลยวันนี้พวกเลยคือไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับเนี่ยเออไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งนะอย่างยงกตัวอย่างเช่นว่าบางคนเป็นนักเลงเป็นมวยปั้มเนี่ยคนบางคนต้องการให้สุขภาพดีแข็งแรงเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่อย่างนะี้หรือว่าตกแต่งเหมือนกับพวกอประดับตกแต่งเหมือนคนที่ต้องเวลาทานอาหารเนะีะโอ้อาหารเปรี้ย น, นี้ทานเข้าไปผิวจะดีนะ วจะดีให้สังเกตดูนะว่าลองมาพิจารณาตามความเป็นจริงดูคนที่พยายามกินอาหารดีที่สุดเนี่ยนะเพื่จะรักษาผิวทำให้ไม่แก่ไม่อะไรต่างๆวันนี้ลองไปดูสิพออายุหกสิบเจ็ดสิบก็ไปเอาให้แปดสิบมไม่ไม่เหลือแล้วใช่ไหมถึงจะไปทำยังไงก็ไม่ดี แล้วยังไงมันก็ไปดีว่าสภาพมันเป็นอย่างไรนั่งเข้าแตะเข้าถ้าไปบางคนนอายาช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าห้องวัดทัดก็เลยรก็โผไปกันใหญ่เลยทีนี้พอบางคนเขาบอกว่ามีโยมคน ม, มาเล่าอีกฟังก็บอกโหลำบากมากคือคือบางทีบางบางส่วนดึงได้แต่บางส่วนดึงไม่ได้ยังที่ให้ดึงเนี่ยพอไปดึงข้างบนดึงข้างล่างอยูอ่ ตามมือตามอะไรเหยีวยวย่นหมดเลยเดี๋ยวนะี้เลยกลายเป็นประลาดเขาแก่ตัวไปยิ่งดูลําบากไปเลยเดี๋ยวี้เลยเลยแปลกไปเลยมียอมอยู่คนหนึ่งเขาไปเสริมไอ้จมูกนะเนี่ยเติมไปเสริมใบท่าไหนรู้จนจมูกหายไปเลยเลยเน่าไปเลยเนะนีน่ยไอ้เี่นี่นี่เป็นโทษที่จริงก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องของอาหารเนี่ย ประการต่อมาก็คือที่อยู่อาศัยก็จำที่ได้บอกไว้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเสพเสนาสนะกำจัดความหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดแค่สัตว์ด้วยคานแล้วก็เพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนแล้วก็รื่นลมในการดิบเล่นในการพิจารณาอันนั้นก็คือพิจารณาที่อยู่อาศัย เพื่อเพื่อยินดีในการหลีกเล้นถ้าถ้าเป็นพระนี่นะเวลาที่อยู่อาศัยก็จะเน้นการหลีกเล้นการเจริญโพวนะเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นให้สังเกตดูนะถ้าหากว่าพระนี่นะท่านจะเน้นสถานที่ที่เหมาะที่อยู่อาศัยที่เหมาะถ้าสถานที่ใดเมื่อไปอยู่แล้วเนี่ยต้องสามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นได้ที่ตรงนั้นก็เป็นสัพพา ย, ยากเกิด คำว่าพิจารณาแยกคายี่เป็นชื่อของโยนิโสมณสิกามันสำคัญมากเลยเนี่คือโยนิโสอะโยนิโสในการพิจารณาสถานที่ทีนี้เมื่อได้ที่อยู่มาแล้วให้สังเกต ด, ดูนะที่บางที่เนี่ยเวลาเรา เ, าเอาเอาว่าบ้านเนี่ยเวลาเราไปอยู่บ้านบางแห่งบางที่แล้วเมื่อไปอยู่แล้วนเนี่ยนะยพอไปอยู่บางแห่งบางที่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เรา ได้บุญก็ได้บาปนั้นท่านถึงบอกว่าการพิจารณาโดยแยกคายที่สําคัญมากเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่แก่กุศลใช่ไหมสถามที่บางอย่างว่าพิจารณาแล้วได้ไรได้ศรัทธาได้ศีลได้สุตตาได้จาค้าได้ปัญญาเป็นต้นสถานที่เหล่านั้นเป็นสำคัญอย่างเดิ่นหลักการคือตรงนี้ประการต่อมาก็คือพิจารณาโดยแยกคายแล้วเนี่ยบริโภคยารักษาโรคเพื่อบําบัดเวทนาเนื่องมาจากอาพาธต่างๆ มันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มีความเจ็บไข้เป็นประการสักการอันนี้เรียกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการส่องเสร็จนี่นะอาสวะที่พึงละได้โดยการส่องเสร็จทีนี้ปุถุชนเนี่ยในมหาธรรมมาสมาทานสูต ร, รมีข้อความคำนองเดียวกันบอกปุบุฎุถชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ทำทีท่ควรเสพและไม่ควรเสพ หรืควรคบและไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักทำรรที่ควรเสพและไม่ควรเสพหรือทำรรที่ควรคบหรือไม่ควรคบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเจริญสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเสื่อมไปเพราะเป็นการกระทําของผู้ไม่รู้ส่วนพาริยสาวกผู้ได้สดับเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้พาริยสาวกผู้ได้สยดย่อมรู้ทำที่ควรเสพและไม่ควรเสพและควรคบและไม่ควรครบ เมื่อรู้ทำที่ควรเสพและไม่ควรเสพทำที่ควรครบและไม่ควรครบเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเจริญสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็เสื่อมแค่ปัญหาคือว่าในใจความของมหาธรรมะสมาทานสูตรที่เชื่อมโยงกับสูตรนี้ก็คือว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักว่าจะเสพใช้สอยกีวรยังไง ที่จะเป็นปัจจัยแก่การทำให้ศีลใช่อาวิปฏิสารปราโมทย์ปีติปสัสสธิสุขสมาธิยาถาภูตยานัทสนานิพิทาวิราคาวิมุติเป็นต้นเกิดขึ้นนถ้าหาพระเสพจีวรที่ถูกต้องแล้วจะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดสจัจนะ และเสนาสนะที่อยู่อาหารการบริโภคก็เหมือนกันถ้ารู้จักควรเสพแล้วเนี่ยกุณศลธรรมก็จะเจริญอาุณศุลธรรมก็จะเสื่อมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็นในยาเดียวกันทีแม้ว่าการมีโยนิโสมัณฑการในการพิจารณาธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพธรรมที่ควรครบและไม่ควรครบเมื่อมีโยนิโสมัณฑการพิจารณาอย่างนี้เบีดเสจแล้วเนี่ยก็สิ่งที่ไม่น่าแปลกหนากับสิ่งที่น่าแปลกหนาเยอะก็อย่างเช่น กุศลเน่นะมีศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าปาารารถนาส่วนการทุศีลการไม่มีสมาธิการไม่มีปัญญาเป็นตน้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาถ้าไม่พิจารณาการเสพการซ่องเสพการใช้สอยการบริโภคทั้งกีวร อ, อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าไม่มีโยนิสงฆ์นักสิการในการพิจารณาเสพหรือบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านี้นะ โทษจากดาวมันอย่าลืมนะว่าคนเราเนี่ยถ้าจะขึ้นสวรรค์ตกนรกเนี่ย <c oughs> ถ้บอกว่าจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงการมีโยนิโสราชการการพิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ถ้าหากไม่มีโยนิโสในการใช้สอยปัจจัยสี่มี เครื่องนุ่งห่มแล้วก็อาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแค่แค่สี่ประการเนี่ยเขาเรียกปัจจัยสี่เนี่ยนั่นสัตว์โลกทั้งหลายที่จะตกนรกก็ตกเพราะปัจจัยสี่ก็เยอะขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นสวรรค์เพราะปัจจัยสี่ก็เยอะให้สังเกตดูนะว่าว่าจีวรหรือเครื่องนุ่งห่มคนพิจารณาเป็นคนก็ได้บุญเช่นสามารถหาสิ่งที่เกี่ยวเครื่องนุ่มมไงห่มเห็นไหมให้ทานเป็นคนได้ตลอดอาหารไหม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 ให้ข้าวให้น้ําให้เครื่องนุ่งห่มให้ประทิบคงไฟเป็นต้นเราที่สิบอย่างนั่นเองถ้าตามในย่าคลองวิธ ร, รมก็คือรูปประทานนางศรัทานางกัญธาทานนางรักษาทานนางปวดตาทานนางดำบมาทานะใช่ไหมใช่คือรูปเสียกินรดสัมผัสแล้วก็ทำมาคือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารแล้วก็เป็นตัวเราที่เนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าบางคนก็ปล่ารบ ในลููกบางคนก็ปารลบเสียงปารล ก, กลิ่นปารลบรสเป็นต้นนั้นทั้งบอกว่าท่านยิงสอนตรงนี้บอกว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วเนี่ยถ้าเป็นปุรุชนผู้ไม่ได้สดับก็เป็นโทษแต่ถ้าหากเป็นผ้าริยะที่เขาได้สดับแล้วนี่เขาไม่เป็นโทษกับเขาเลยเขาใช้สิ่งต่างๆเหล่ า, านี้นี่ก็เป็นไปในลักษณะหนึ่งประการต่อมาก็คือว่าประการที่สี่ อาสวะที่พึงล่าได้ด้วยการอดกลัน้นพราะพระพเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนพิจารณาทั้งหลายอาสวะเหล่าไหนที่จะพึงล่าได้ด้วยความอดกลัน้นดูก่อนพิจารณาทั้งหลายพินนัยี้พิจารณ า, าโดยแยกภายและเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนหิวกระหายสัมผัสแห่งเหลือกยุงลมแดดได้สัตว์ลวยคันเป็นผู้มีชาติของผู้อดทนอดกลัน้นต่อถ้อยคําที่ผู้อื่น กล่าวชั่วร้ายแรงมีอดทนต่อการด่าเนี่ยเสียงด่าเนะอยากไหมอดทนต่อเสียงด่าเสียงด่ากับเสียงชมเนี่ยไหนหน้าอดทนมากได้ยากกว่าท่านกล่าวว่าเสียงชมเนี่ยอดทนได้ยากกว่าเสียงด่าแต่เราชอบเสียงชมมากกว่าเสียงดา่าใช่ไหมเสียงเสียงชมเนี่ยก็ทําให้จิต ว, วัยใจหวั่นไหวเสียงด่าก็ทําให้ใจหวั่นไหว แต่เราชอบวันไหวแบบให้มีคนชมถ้ามีเสียงชมเราชอบอจะเข้าบ้านมีคนเขียนข้อความต้อนรับขอให้มีอายุยืนขอต้อนรับเพื่อเขียนชื่อเราใส่เข้าไปวันนั้นเราจะเพลิดเพลเลยใช่ไหมแต่ในยะตรงกันข้ามมีเสียงดา่าคอยล้มหายใจจาไปปลายจวันสิบวันก็จะทำไง ใจิตใจเป็นไงตัวนะี้โอ้โหทำเป็นขนาดนี้จอดรถเลยนะจอดรถ ด, ดูด้วยิ้มแย้มแจ่มใสนะันอีกอย่างแล้วก็จอดรถรีบเอาลงรีบให้คนไปเอาลงนอีกอย่างเจ้าเสียงเสียงกล่าชั่วร้ายแรงต่อเวทนาที่มีในตัวซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นทุกข์หนาแล้วก็แข็งกล้าวไม่เป็นที่น่ายินดีไม่เป็นที่น่าชอบใจอาจผ้าชีวิตเสียได้ ดูกรภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเปร่าร้อนจะทําความคับแค้นเหล่าใดถึงมาเกิดขึ้นแกภิกษุผู้ไม่อดกลั้นอยู่อาสวะมีกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะและความเปร่าร้อนก็ทําความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแกภิกษุนั้นผู้อดกลั้นอยู่อย่างนี้เออถ้าคนอดกลั้นได้เนี่ยอย่างที่บอกนะคําว่าอดกลั้นในที่นั้น ใ, นใจต้องเป็นใบกับเมตตามไม่ใช่อดกลั้นนิทีอดี อดการแบบประเภทที่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราอย่งเงไม่ใช่แล้วพี่บอกว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของเราสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราอีกโอ้ยอย่างนี้เป็นความอดทนแต่ไม่ใช่อดทนด้วยด้วยเมตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราสถามทดกล่าวว่าจะลักได้ด้วยความอดการตรงนี้ก็ไปไปพิจารณาว่า อดทนในการอดกลั้นเนี่ยมาากกันจะคำว่าปฏิสังขาโยนิโสขโมโหติสดศีรษะทิกสูตรพิจารณาโดยถูกทางแล้วย่อมเป็นผู้ทนต่อความหนาวคืออดทนต่อความอดกลั้นต่อความหนาวจะสั่งสทานว่าความหนาวแม้เพียงเล็กน้อยเหมือนบุรุษผู้ไม่มีความกล้าหาญหท่านไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานนั่นเองคําว่าอดทนต่อความเวลาเกิดอากาศที่มันหนาวขึ้นมาเนี่ย ก็แปลว่าตอนนั้นไม่ทิ้งกรรมฐานไม่ทิ้งกรรมฐานก็คือไม่ทิ้งไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าใช่ไมไม่ทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าอยู่อยู่กลนและเราก็อยู่ใกล้พระพุทธองค์อีกอย่างหนึ่งก็คือถูกความหนาวจัดเนสัมผัสแล้วก็ไม่สะท้านย่อมใส่ใจเฉพาะกรรมฐานท่านก็ยกตัวอย่าง พระเทลารูปหนึ่งพระสงพระสมสนาคฆสมสนาคฆ์เทลาร์พระโลเออเข้าไปพระโลมมาสนะพระลมมาศาสนาคะเทลาร์พระเทลาร์อยู่ในเรือนบังเป็นกรรมฐานหมายความว่าเขเป็นอยู่ในถรร้ำที่เจติยบาบัติพิจารณาโลกรสนาโลกที่ตั้งอยู่ในระหว่างในสมัยหิมะตกก็ไม่ยอมละทิ้งกรรมฐาน คือเวลาเกิดความหนาวขึ้นมาท่านก็บอกเอ้ยหนาวแบบนี้ยังน้อยกว่าในโลกันติการนรกท่านพิจารณานี้เพราะในนรกอันเนี้ยหนาวมากคือถ้าสมมุติว่าเรากลัวต่อความหนาวตรงนี้<ม>ใช่ไหมเมื่อความหนาวตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อความหนาวที่เกิดขึ้นเพียงน้อยนิดเพียงแค่เนี้ยแล้วเรายังทนไม่ได้แล้ะไปละทิ้งกรรมฐานเนี่ยแต่ว่าสัตว์นรกทั้งหลายที่อยู่ในโลกันติการนรกเนี่ย เขาพากันหนาวดิ้งกระวนกระวาดกันมากเพราะว่ามืดด้วยหนาวด้วยหนาวด้วยแล้วต้องอยู่อย่างนั้นเนะ่ะเป็นเป็นเป็นกับกับอู้อยจะไปตกใครเป็นคนที้หนาวไม่ชอบอากาศหนาวหนาวบางคนชอบไปกันย่างเมืองที่มีหิมะเยอะๆไปแต่อย่าลืมนะ จริงไม่น่าไปเที่ยวนี่ในทัศนะของอย่างที่ปไปเพื่อจะไปเที่ยวไปชมความหนาวความเย็นอะไรต่างๆที่ไม่น่าไปเที่ยวเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าเราเคยไปในโลกที่หนาวเจ็ดจักมาแล้วใช่ไหมในสังสารวัฏที่ผ่านมาจะเพียงเราเระลึกไม่ได้คือหนาวแล้วตายไม่ได้แต่ให้หนาวทรมานอย่างเดียว มันเจ็บปวดในอาการอยู่ในนรกลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่จะตายได้ก็ต่อเมื่อสิ้นกรรมเนี่ยถ้ายังไม่สิ้นกรรมก็ตายไม่ได้ลองคิดดูที่ว่าเราเราเคยไปเที่ยวแบบนี้มาแล้วไอ้ที่หนาวจะจัดแบบประเภทลบหลายหลายองศาก็ถามว่าไม่อยากไปผก็บอกไปมาเยอะแล้วในสังสารวัตนนี้ใช่ไหมเคยทำกรรมตัวนี้มาเยอะแล้วพิกสู่รู ป, นป เ, เนี้ยพระเถระในท่านก็พิจารณานะกลัวทําไมความหนาวแค่นี้ ถ้าเราละทิ้งกรรมาฐานเราไปทำบาปรกรรมมีกายยะทุจริตเป็นท้อเหล่านี้ยเราจะกร ย, ยัดเยียดอยู่ในโลกาาลการติการนรกเราจะหนาวสุตโธก ท, ท้านยิ่งกว่า น, นี้นักฉะนั้นอย่าสุตโธกทานกับความหนาวไม่เพียงแค่นี้เลยท่านพิจารณาแบบนี้เนี่ยเป็นยุคปัจจุบันนี้ถ้านหนาวมาลุกขึ้นก่อไฟใช่ไหมก็อันนี้เราก็ว่างกันแต่นี้ท่านพิจารณาแบบนี้ก็แปลว่าท่านไม่ไม่ทิ้งกรรมฐานไม่ คือมืให้เวลาผ่านไปในการแจ้งแม้ในเะรื่องดูร้อนเป็นต้นก็พิจารณารักษ ะ, ะแบบเนี้ยในขณะที่ร้อนก็คือท่านก็พิจารณาในอเวจี v G, ใช่มหมเพื่อความร้อนที่เราเจอเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาอย่างนี้ไปจริงๆเอาไปทํางานก็ได้ไประโยชน์นะสรุปไปทํางานพวกบางคนทอ้อร้อนแล้วร้อนแล้วหยุดพักเลยแล้วบอกเฮ้ในอเวจี v G, ร้อนกว่า น, นี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไปจอดเนี่ยนี่คุณโยมกับเดชไปสารุปน้องได้ แต่ลูกน้อง จ, จะหยุดแล้วบอกอุ้ยในเวจีร้อนกว่านี้อย่าไปหยุดอันนี้ยังนิดหน่อยในเวจีร้อนลํำแสงเป็นท่อไฟพ่นเข้มามายังมันยังทนกันได้แต่นรอบกันร้อนแค่นีไ้ไม่ต้องไปลัวทำต่อไปก็ก็ได้งานเยอะขึ้นได้งานเพิ่ม แต่จหิงถ้าตับท้าพระทัานก็พิจารณาเหมือนกันเดี๋ย ท, ท่านท่านไม่ทิ้งกรบมาางภิกษุใด้อบกลดกั้นร้อนแม้มีประมาณยิ่งได้อย่างเดียวภิกษุนั้นบันดิตาคุณผู้มีความอดทนต่อความร้อนได้เหมือนพระเถระอย่างที่ได้กล่าเออในเวลาหลังพัดในฤดูขิม ห, หันฤดูร้อนเนี่ยพระเถระก็นั่งอยู่ภายนอกที่จงกรม เมื่อท่านใส่ใจถึงกรรมฐานเหงื่อก็ไหลออกจากรักแล้วที่นั่นอัอนเตวสิกก็เรียนท่านบอกว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านนั่งในที่นี้เถิดอากาศที่เย็นส บ, บายหมายความว่าเออพระท่านไปนั่งที่แดดเถิดบอกว่าออนิมนต์ท่านเข้ามานั่งตรงนี้เ ป, นเป็นในโ่มอากาศเย็นส บ, บายท่านอย่าไปนั่งตรงนั้นเลยที่นี่ท่านกําลังใส่ใจกรรมฐานท่านอยู่พระเถระกล่ า, า, าวว่าเราจะไม่นั่งในที่นั้นหรอกเพราะกลัวความร้อน ถ้าผู้มีอายุนั่นแล้วก็นั่งพิจารณาอะเอาเวจีมหานารกท่านบอกเออถ้ า, าไปนั่งตรงนั้นใช่ไหมกิเลสมันเกิดตอนนี้ก็รักกิเลสไม่ได้มันจะร้อนยี่กว่าในอนาคตเนี่ยถ้าตอนนี้ฉันก็เลยเอา เ, อา เ, อเวจีมหานารกมาพิจารณาก็เลยนั่นพิจารณาโอ้เอาเวจีเนี่ร้อนกว่านี้เยอะใช่ไหมแค่เหงื่อไห ล, หลออกมาท่วมตามตัวดํากายเงี้ยไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยท่านก็พิจารณาท่าน เห็นไหมว่าพอเรพิจารณาอย่างนี้ก็ก็ป๊อกไอ้ท่านก็เกิดกรรมฐานแล้วก็ไม่ทิ้งกรรมฐานเออแปลกหรื อ, อย่างนะนรกเนี่ยเอามาพิจารณาเป็นกรรมฐานได้แล้วถ้าเอานรกอ า, ากอพิจารณาเป็นกรรมฐานนั่นคิดยังไงท่านคิดถึงพบเยเห ม, มือนไฟไหมใช่ไหมคิดพิจารณาเอานรกทุกพบทุกภูมิมาพิจารณาด้วยความเป็นทุกข์สัตว์ เห็นไหมว่ากรรมฐานเนี ana, ่ยไม่ใช e ่จะต้องเกี enzyme, ่ยวกับพิจารณาตัวเองมาพิจารณาเท่านั้นนะแต่พบภูมิต่างๆนี่ยเช่นเอาอวัยะสัตว์มาคิดเราเห็นสัตว์ในอบัยภูมิตั้งหลายเนี่ยเราเห็นในสัตว์ในบวยะภูมิบางบางอย่างพวกดูเหมือนสบายใช่ไหยแต่บางพวกนี่เขาทรมานมั้อย่างเช่นอยู่ในน้ําอยู่ในอะไรกำลังถุกลาถุกลาย ต้องหนีหอกหนีดาบหนีปืนหนียาพิษแต่ละพัดลองคิดดูหนีอวนหนีแหนเนี่ยนะหรือบางทีกำลังติดเบ็ดอยู่ก็มีอะไรต่างๆนะเนี้พิจารณาดูดีอันนี้แค่ในใบพูเนี่ในในมนุษย์สปูบนี่นะที่เกี่ยวข้องกับที่เห็นสัตว์ทรเลฉันเนี่ยเนี่ยตอนนี้ในทะเลทั้งหลายพวกเรือพวกวนพวกแรงจามพวกไปลากพวกยกนไปลยในน้ำมาดินชักดินงอตายกันที่มันที่กำลังโดนทุบหัวก็มี กำลังโดนเข้าโรงงานอัดแน่นเขาไปในโรงงานเป็นอาหารอะไรเยอะแยะหมดหรือถ้าไปดูพวไกในโรงฆ่าสัตว์ใช่ไหมร้องเสียงให้สนัน่นกวั่นไว้ไปหมดทั้งวัวทั้งควายทั้งหมูทั้งเป็ดไก่อัน น, นี้นี่ใช่ไหมที่เป็นความสก ข, ของมนุษย์ที่ที่นี่ไหมเป็่องพิจารณาแต่เรากเออถ้าเราไม่รียเจริญกุศลเนียเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนี้ ถูกให้เขาออตัดคอเลอ่นเนี่ยลองนั่งรถลองรถไปตามถนนเนี้ยทีอ้าวเดี๋ยววิ่งผานมาแล้วหมูเต็มคาร์ล็อาไม่ไม่ใช่เขาจะไปเลี้ยงให้มันอยู่สบายอะไรเนี่ยบางทีก็หัวเต็มคาร์ล็อย่างเงี้ยเนียไก่เป็ดเต็มคาร์ล็อนกบ้งอะไรบนะ้างแล้วคิดอะไรก็บว่าเห็นแบบเนี้ยถ้าพระท่านก็จะคิดถึงคิด พ่าโอ้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ยไอสภาพสภาพในพุรุเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันธห้านี่ก็ไม่รู้จะแก้กลับเมื่อแล้วลกิเลสเขยังรักไม่ได้เมื่อกิเลสยังรักไม่ได้เนี่ยโอ้โหอบัยภูมิถ้าไปถุนนั่งกินมาเราเอสมมุติถ้าเราไปเกิดเป็นจัตเจราฉานไปเกิดเป็นปลาเขาโปลาตัวนี้สวยเงาเหลือเกินเลี้ยงเขาไว้ไม่กินโอกาสอย่างนี้น้อยมากใช่ไหย คือไปเกิดเป็นไก่เนี่ยไปเกิดเป็นเป็ด เ, เป็นต้นเหล่านี้ยแต่ก็มีเหมือนกันนั้นนะจะมีออกข่าวทุกทีใช่ไหมที่เขาจะเลี้ยงเขาไว้เนี่ยมีอะไรพิเศษพิเศษหน่อยถามว่าถ้าเรากลายเป็นนายกษัตร์เนี่ยเราจะคิดว่าเราจะมีอะไรพิเศษไปโชว์เอาตัวรอดได้ไหม <laughs> ยากใช่ไหมขนาดวัวควายตั้งจากมึงตัวต้องร้องห้าแล้วไห้าเพร้วเขาก็สงสารบางทีก็มีเหมือนกันเนี่ยร้องห้า สุนัขบางตัวอะไรต่างๆนีก็เอตัวรอดได้ไปไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งแต่ก็ในส่วนจริงก็ไม่รอดหรือเล่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภิกษุใดเมื่อไม่ได้พัดคือน้ําดื่มเพียงสองสามมือแล้วทิจนรดาเกิดขึ้นของเปรวิสัยในสงสารวัฏฐานที่สุดเบื้องต้นก็คือว่าบอกว่า ก็ไมรลาทิ้งกรรมาฐานเนี่ยก็ไปพิจารณาบอกว่าเออเปรตทุกเปรตทุกหิวกว่าเราเยอะบางแห่งบางที่เนี่ยหาหน้ําไม่ได้ไปบินดาบที่มีทีม่มีน้ําหรือว่าทําท้องที่ต่างๆสมัยโบราณอยู่ตามป่าเนี่ยหาน้ําไม่ได้ท้ายก็นทนอดทนไม่ให้โทสะไม่ให้ราคะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นโอ้โหถ้าหากอยู่กันอย่างเช้าโบราณนี้ถ้าอยากลบากจริงนะน่าจะลําบากมาก ในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเราหิวน้ำเนี่ยเราไม่เคยทนได้ถึงชั่วโมงเลยใช่ไหมก็ต้องรีบไปหาน้ำมาดื่มกันเดี๋ยวบางังไม่เคยทนกันเ อ, อยหิวน้ำแลยหิวน้หรือหาน้ ำ, น ำ, นำไม่รัทิ้งกรรมฐานถูกสัมผัสแห่งเหลือแดดแม้มีประมาณยิ่งถูกต้องต้อพิจารณา ก็พิจารณาเข้าถึงกำเนิดสติราชานก็ไม่หวั่นไหวก็ไม่ละทิ้งกรรมาฐานเลยและแม้ถูกสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยค้านถูกต้องก็พิจารณาถึงอัตภาพในการก่อนซึ่งกลิ่งเกือยอยู่หลายวาระที่ปากของราชสีห์และเสือเป็นต้นก็บอกว่าเออเนี่ยอาจจะถูกมแมลงสัตว์กัดอะไรต่างๆนี่นะมามากัดมาอะไรต่างๆนี้ก็ก็ไ ม, ม่ก็ไม่กะทบสะาน ถ้ามียาใส่ก็ใส่ ย, ยาดูแลตามอัตภาพถ้าไม่มีจริงๆนนเนายพิจารณาในการก่อนเนี่ยเราเคยถูกเสือกัดกินเคยถูกราชสีกัดเคยเลไรต่างๆมาแย่ๆหมดก็พิจารณาอย่างนี้นในสังสารวัฏที่หาเบื้องต้นและที่สุดไม่รู้ก็ไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานท่านก็นยกตัวอย่างว่าพระหลายๆองค์ก็เป็นผู้อดทนต่อความหิวอดทนต่อสัมผัส แต่จิตนว่ามีงูพิษอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่ากัดพระเถระผู้กําลังฟังอริยวังสสูตรในเรือนก็ทําความเพียรเพื่อชื่อกันในกลางในหมามชื่อว่ากันพระเถระแม่รู้อะแล้วก็มีจิตเลื่อมใสนั่งฟังทำตลอดกําลังพิษที่แรงกําลังพิษนี่ยได้แรงกล้าขึ้นตามลําดับพระเถระได้พิจนารณาถึงสีเริ่มต้นตั้งแต่อุปสมบทมาแล้วก็เกิดปีติ คือเรามีศีลบริสุทธ์นะพร้อมกับการมังเกิดขึ้นแห่งปิติพิษก็แล่นกลับเข้าไปสู่เป็นดินโอ้โหนี่คือคือคนที่จะใช้จิตตัชรูปในการขับพิษออกมาได้เนยะคือนั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยงูกัดเมื่อนั้นนั่งอยู่งนีงงูกัดจะทำไงเดี๋ยวฟังธรรมต่อไฟังไหมไม่ทำงูหรอก แคมดกัดตัวเดียวอยู่ได้โมกัดบุบนี่ท่านก็ท่านก็พิจรารณาถ้าไม่ไม่หยุดไงแล้วท่านก็พิจรารณาที่ตอนนั้นพิษก็เริ่มจ้านก็มาจะถึงหัวใจเร็วเราท่า น, น, น พ, พิจารณาสีน้องท่านตั้งแต่บุบพอพิจารณาสีบุบท่านก็ไม่เดือดร้อนตายกันตายอยางนีน้พอไม่เดือดร้อนใจปรามโมทเกิดปีติสมาธิพอปีติเกิดเนี่ยในตัวปีติเนี่ยเป็นจิตตชลูคนนี้ พอจิตใจโสมนัส ด, ด้วยเป็นปีติด้วยเป็นความสุขด้วยขับพิษพิษไหลลงแผ่นดินไปไหลออกจากปากแกลตัวพิษเนี่ยกลับกลับไม่วิ่งย้อนเข้าหัวใจเนี่ยกลับถูกขับออกถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สมาธิท่านดีแต่ถ้าบอย่างเราๆท่านท้้งหลายเนี่ยขับไม่ออกขับไม่ออกใจจะเสียเลยว่าเวลาโดนกัดโดนอะไรใจเสียหมนข้าในข้ก็ เยบร้อนชักกระตุกกระตกไปเลยรตเนี้ยคือพระเถระใช้ได้เอ ก, ะกะตาจิตในขณนะนั้นเองก็เจริญวิปัสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยใชบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยนี่เป็นการการที่บอกว่าการการอดกลั้นเนี่ยได้ประโยชน์คือการได้ไ ด, ได้ได้บรรลุหลายท่านนะที่โดนทุบโดนตีโดนแทงอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยล้วนได้บรรลุกันเยอะแยะในสมัยกษัตริกัน แต่ที่ว่าตกในโลกขยันะยะนะพิสูตได้ฟังคําพูดหยาบคําพูดอสนสองละคดด้วยอันติมวัตถุก็คือคําพูดที่หยาบมากเป็นอูดเป็นลาเป็นโคว้างไปเลยซึ่งมาจากที่กายเพราะเป็นคําพูดที่หยาบแล้วพิจารณาถึงคุณของขันติไม่หวั่นไหวต่ออำนาจขอการดา่าเหมือนพระทีฆาพานกะอภัยเถระคือเป็นผู้อดทนต่ อ, อคําหยาบ ซึ่งมาแต่ไกลๆได้คือพระเทรศเนะี่ยท่านกล่าวอริยาวสัพปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระอริยนี่เนี่ย mm hmm. ก็ความเป็นผู้ยินดีในการเจริญสันโดษด้ดยปัจจัยเป็นต้นชาวบ้านทั้งหมดพากันมาหามนมันมนส ก, การ mm hmm. ก็เกิดมีแก่ไอลาส ก, การะก็มีแก่พระเทเะพระเทลราศบางลูปอดกลนอดท่าตดาส ก, การะนั้นไม่ได้ก็ด่า ดาพระบอกว่าวุ่นวายความวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดคืนด้วยการกล่าวว่าเราจะกล่าวอะไรเยอะวงพระเทระสองลูกเวลาเดินทางก็กลับไปสุวิหารน้องตนก็เลยร่วมทางไปสิ้นหน้นทางประมาณหนึ่งขาวุธพระเทระก็ด่าด่าพระเทระลูกนี้แม้ทุกๆคือพอเดินไปได้สักประมาณร้อยเซนประมาณนี้เนี่ก็ด่าทั้นแล้วพระ ทีฆาพานกักะเทล่ยืนอยู่ในที่ยุดทางของวิหารทั้งสองแยกกันไหว้พระเทร่านั่นแล้วกล่าวว่าท่านพุชเจริญนี่เป็นทางของท่านดังนี้พระเถร่เดินจากไปทำเหมือนไม่ได้ยินฝ่ายพระทีฆาพานกะเทละก็ไปถึงวิหารล้างเท้าแล้วก็นั่งลงอันเตวสิกก็กล่าวกรบท่านว่าท่านพุชเจเลนอะไรกันทําไมท่านจึงไม่กล่าวอะไรอะไรกับพระเทะ่าท่ด่าวริพ่าท่านทุกทุกคำวุฒพระเทะร่าก็ตอบเลยบอกว่า คือมากับลูกศิษย์คือพระองค์นี้ยถูกเขาด่าเยอะเพราะว่าราบสการะเกิดกระท่านท่านประพฤติความดทนุนพระเขาพามันสมัยก่อนก็มีพระรักอะไรนคือเขาดูไม่พอใจเดินไปก็ด่าท่านไปเรื่อยด่าไปเรื่อยท่านก็ไม่ตอบท่านก็เฉยเนี่ยคือใจของท่านก็ไม่ไม่ขุนลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์ก็ปวดแทนแต่ก็เอ้ขนาด อาจารย์ยังไม่ยังไม่ว่าแล้วเราจะไปว่ายัางไงก็เก่งอย่พอมาถึงที่ก็ถามาเออทาไมไม่โต้ตอบทั้งๆ ท, ท, ที่ท่านเหล่านั้นด่าหรือว่าไม่ใช่เรื่องจริงนสมมุตินี่ยพวกเราสี่คนนี้แล้วมีคนมาด่าใครสักคนแล้วไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไม่มมาด่าแล้วไม่ใช่เรื่องจริงแล้วคนหนึ่งก็ทนไว้ได้อี ก, อกคนที่ไปด้วยไม่ทน ใช่ไหมแต่กเกลี้ยงใจเนี่ยลักษณะก็ทช่นองเนี่ยอะไรการทําไมท่านไม่กล่าวกับว่าเสถรัตน์นั้นด่าบริภาษทั้งทุกข์ทุกข์เขาวุฒิเสถีรัตเอาเอาวุโสความอดทนเป็นหน้าที่ของเราถ้าคิดได้นเงี้ยความอดทนเป็นหน้าที่ของเราความไม่อดทนหาใช่เป็นหน้าที่ของเราไม่เราเองไม่เคยเห็นการพากจากกรรมฐานของเราแม้ในการยกเท้าขึ้นกั ในที่คนทราบว่าถ้อยคานั้นแหละชื่อว่าถูกต้องตามคำนองของธรรมก็หมายว่าบอกว่าเอ๊ความอดทนเป็นหน้าที่ของเราความไม่อดทนไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยเนะี่ยบอกเราเองเนี่ยไม่เคยเห็นการฆ่าเกี่กรบมาตฐานไม่การยกนท้าฉะนั้นใครจะด่าก็ด่าใช่ไหมในขณะที่ยกเท้าขึ้นท่านก็กําหนดอียาบุบอกท่านในการพิจารณาไป่างั้นเสียงด่าก็คือเสียงด่า ท่านไม่ได้เอามาเป็นอรนรารมณนาปัจจัยเป็นประทานเลยแต่ประทานในขณะนั้นสิ่งที่เป็นอารมณ์ของท่านในขณะนั้นคือท่านมนัสิการมีโยนิโสมนานัสิการในการพิจารณากรรมฐ า, านของท่านท่านก็เลยตอบไปลูกศิษย์ท่านไปบว่าไม่ใช่คือเสียงด่าเสียงชมมันมันมันไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่เราจะควรเอามาพิจารณาแต่กรรมฐ า, านที่กราราบใส่ใจอยู่มันสําคัญกว่าอารมณ์คือเสียงด่าใช่ไหมหรือเสียงชมนี่ปัญหาคือว่าท่านเราเนี้ย ท่านมีที่พึ่งอย่างเราท่านทั้งหลายจะถามว่าในชีวิตของเราจริงๆเนี่ยเรามีกรรมฐานเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดหรือเปล่าใช่ไหมสมมติว่าหูเราจะไปทําอะไรมันเป็นเรื่องรองหมดเลยแต่กรรมฐานเป็นเรื่องใหญ่ในใจของเราไปที่ไหนเราก็มีกรรมฐานเยกตัวอย่างเราจะอัศ จ, จ, จริญเมตตาหรือเจริญกรุณาเจริญมุทิตาหรือเจริญอานาประณะหรือเจริญกรรมฐานอะไรที่เรากําลังใส่ใจอยู่ที่เราชืนานหรือเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ย กรรมฐานตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่สาหรับเราอยู่เสียงด่ามัยเล็กน้อยคลยทบุคคลเหล่านี้ที่จะทำได้อย่างนี้แปลว่าเขาฝึกมาดีไหมเขาฝึกมาค่อนข้างดีฝึกประจนจานานะอย่างอย่างชีวิตของเราท่านทั้งหลายถามว่าเวลาออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยเราเรามีความสำคัญหมายไหมบอกว่าเออเราเอากรา ม, ม า, ามไปด้วยใช่นหม ไอตรงนี้เราขานะด้โดยมากใช่ไหมเราจะขาดดอยมากเราจะไม่มีความรู้สึกวเดี๋ยวเรานี่ไปกับใครบ้างดอยมากาเราจะถามมาคนเดียวยังบอกมาแล้วก็มาถานลองมาราชการใหม่ให ม, ม่สักที่เราอย่างนี้ดีกว่าจะไปไหนเราให้ความสมําคัญใหญ่ที่สุดก็คือเรากรารมฐานครับก็บริหารกรรมฐานนั้นว่าเวทนาทางกายเชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะอาจจะเป็นเหตุให้ถึงทุกข์ ชื่อว่าหนาก็ราะว่าหนาแน่นหนาแน่นคือความทุกข์ที่มันเบียดชื่อว่าแข็งว่าะอธิว่าถยากชื่อว่ากล้าเพราะว่าคมชื่อว่าไม่น่ายินดีเพราะเว้นจากความยินดีชื่อว่าไม่น่าชอบใจเพราะว่าไม่เป็นที่เจริญใจชื่อว่าเป็นเครื่องฆ่าชีวิตได้พิกษุอดกัณฑเวทนานั้นได้คือไม่หวั่นไหวได้แก่ดำรงอยู่ตามปกติเหมือนพระประธานิยะเพระผู้อยู่ที่จิตดาบันพุ พิกษุนั้นทราบว่าเป็นผู้มีปกติอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นคือพระเทลาร์เือมันเป็นเพียรอยู่ตลอดคืนลมในท้องก็เกิดขึ้นท่านไม่สามารถจะอดกลั้นลมนั้นได้ก็บิดไปบิดมาดังที่ได้เคยเล่าแล้วก็ถือการเที่ยวบิธน บ, บาตพระเทลารผู้ถือเที่ยวการบิณ บ, บาตอยู่วัดรูปหนึ่งยืนอยู่ข้างที่จงกรม กล่าวกับท่านว่เอาโซธรรมดาบรรพชิตเป็นผู้มีปกติอดกลั้นพระเถระก็บอกดีแล้วผู้เจริญดังนี้แล้วก็นอนสงบนิ่งไม่ไหวติงลมข้างในก็แร่นเสียดหัวใจไปจนถึงนาพีพระเถระคงเวทนาเจริญด้วยวิปัสสนาเพียงคู่เดียวได้เป็นพระนาคามีและปรินิพพานไหมเอ็ม เป็นปรานาคามีแล้วต่อมาก็ปริณีคามนะคือเป็นพระทหารเดิอันนี้คืออา น, นิสงส์ของการอดกลั้นทำยากก็พูดอย่างนี้ทำยากลมข้างในเสียคือไอเวลาผู้ดูชนที่อย่างเราๆาทั้งหลายที่ผ่านการฝึกแบบนี้มันน้อยนี่นะแค่ลองไปเจออย่างโรคมะเร็งโรคมะเร็ง ก่อนฟังคนที่ก็เป็นโรคมะเร็งเขาบอกเขาทนได้อยู่แล้วใจเขาอดทน ย, ยันปลอมว่ายันยิ้มยิ้มคือพูดไว้ก่อนตอนที่มะเร็งยังไม่ลุกรามพูดได้แต่พอถ้ามะเร็งลุกรามไปเสร็จนะร้องหายาแก้ปวดทุกอ่างแต่ายาแก้ปวดนี่เนะี่ยทําหม่ใหม่ให้พรบนี้จะได้อยู่สี่ชโมงได้จริงนะเข้านะเข้าเอาไว้อยู่หรอก ถึงจะให้ยาเข้มนข้นกันนดไหนไม่เกินสามสี่นาทีหรือไม่เกินสิบยี่สิบนาทีก็ปวดห้ยันติดยาให้ยึนกาลายเป็นติดยามันถึงบอกว่าถ้าหากไปเจอโรคไร้ล้าขึ้นมาเนิ้ยชีวิตทรมานมากทีนี้ถ้ากลุ่มบุคคลที่มีกรรมฐานแบบประเภทแบบช่ำชองแบบนี้นะ ก็แปลว่าในชีวิตของท่านอย่างพระเทะเรสแะดาบพวกนี้ถามไปบางทีมางองค์บา ง, งท่านเนี่ยสี่สิบปีท่านไม่เคยทิ้งกรรมฐานเลยเข้าใจใช่ไหมแปลว่ากรรมฐานท่านแน่มากคือปกตินี้ไม่ต้องพูดถึงขนาดแต่ทุกขเวทนาขนาดเนี้ยพอมีคนเตือนสติปุ๊บแค่นั้นท่านหยุดแล้วก็กําหนดได้แล้วบรรู้ท่านบางทีท่านอาจจะเผลอกันนะอาจจะข้ามแต่มีคนไปเตือนปุ๊บ t r e n d i อยู่นี่คือคนฝึกมาดี ยังกลุ่มอย่างเรา เ, ราเราทั้งหลายที่ไม่ค่อยได้อยู่กับกรรมฐ า, านเพราะมีคนไปเตือนเพื่อนกันอย่าลองมากกรรมฐ า, านที่ภาะมาที่ไปทำอะไรมาเอาวอิหูทีแต่ถ้ากเราฝึกของเราทุกวันทุกวันเนี่ยทั้นกรรมฐ า, านที่เราฝึกกันทุกวันนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเวลาตายเราจะได้ก่อนตายนะมันจะได้เอาตัวเองอยู่บ้านแค่ตรงนั้นมันจะได้ไม่เป็นภาระของบุคคลอื่นมากถ้าอย่างกันโหน ลองคิดดูว่าแต่ทุกวันนี้ก็ดีอยู่อย่างเนี้ยถ้าจะตายเนี่ยเออเราเขมีกฎหมายเราไม่ให้หมอทําอะไรเราก็ได้ใช่ไหมให้ตามอาการเลยหนึ่งไม่ต้องใส่ท่อใส่อะไรต่างๆแล้วก็บอกหมอเขาได้เลยไม่ต้องใส่ท่อไม่ต้องผูกใส่คิ้วไม่ต้องไปเจาะไปอะไรต่างๆอะไรนี้ได้ถ้าเป็นมะเร็งไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องอะไรก็ได้ใช่ไหม อันนี้เป็นเป็นสิทธิเอออันนี้ดีเป็นเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องมาปั๊มจุกหวจุกัวใจเนี่ยเราสั่งไว้ได้หมดเลคือถ้าจะไปขอไปแบบตามสภาพของโรคที่มาเบียนเบียนแล้วเลยตรงนี้ได้อีกจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ก็คือว่าทำยังไงไม่ให้คนมารบกวนเยอะๆเวลาจะตายจริงวันนี้ก็พ่อวันนี้ก็แม่วันนี้ก็ป้าวันนี้ก็พี่วันนี้เราป้ากันทั่วใช่ไหม มาอย่างไ้ยุ่งเนี่ยเราก็ห่วงเนี่ยไม่ใช่จะตายเรียกคนนะี้เรียกคนนี้ไปเลยถ้าจะอยู่ยังไงอยู่กรรมฐานแล้วก็ไปกักรรมฐานเตรียมไว้ยังถ้าเตรียมไว้นล้วอ้นี่ต้องเตรียมไหมต้องเตรียมไหมอยมม่างตอเตรียมเลยนะสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมว่าเออเวลาจะไปก็ไปแบบคือ ไปแบบไหนเวลาเราจะมาเกิดใหม่พ่อแม่ก็ยินดีอยู่โอ้ยชื่นใจที่เราเกิดถ้าจะไปก็ต้องให้คนเขายินดีให้เขายินดียังไงโหรอให้ไปตั้งนานไม่ไปเง ไ, ไม่ใช่เงินหมายความว่าเขาขพาไปยินดีโอ้ยท่านบุญนี้ไปแบบสงบไปแบบคนมีบุญถ้าใครมีบุญก็จะได้ไปดีๆแบบนั้นไปโดยฉันนี้ที่ว่า มีธรรมะฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเพราะเสียงธรรมะ ม, มีคนบอกทางที่ไม่รู้กรรมฐานเนี่ยนะมีคนบอกทางที่รู้คําสอนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกถนามากถ้าจะไปจริงมีคนมาคอยบอกกรรมฐานเนืออาก่าวคําสอนของพุทธเจ้าบอกบอกจะรับกรรมฐานแล้วก็หลับไปกับกรรมฐานหรือหลับไปกับการทำคาสอนถามว่าโหชีวิตจะดีมาก นี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าในการพิจารณาอดกลกเนี่ยพิสูจน์ในวัฒนวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมเป็นผู้อดทนต่อความหนาความร้อนความหิวกระหายต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือดยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานต่อเท้าคำหยาบคายที่มากระทบต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอันกล้าแข็งเจ็บปวดไม่เป็นที่สําราญไม่เป็นที่พอใจ ขนาดจะทำลายชีวิตเสียได้นี้เรียกว่าอาสวะที่พึงรักได้ด้วยความอดทนในความอดทนตรงนี้ท่านก็พิจารณาท่านแยกแยะให้ฟังว่าเวทนาเนี่ยมันมันสาหัสไสกลางขนาดไหนชื่อว่าแข็งเพราะยาบชื่อว่ากล้าเพราะคมชื่อว่าไม่น่ายินดีเพราะเว้นจากความยินดีบอกไอ้ทุกขเวทนาเนี่ไม่น่ายินดีทั้งนั้นเลยไม่น่าชอบใจเพราะไม่เป็นที่จเจริญใจเป็นเป็นเครื่องฆ่าชีวิตได้ ภิกษุอดทนอดกั้นตวเวทนานั้นได้คือไม่หวั่นไหวไม่จำลองอยู่ตามปกติที่ท่านก็ยกตัวอย่างที่บอกว่าพระเถเรซที่ยืมลมเป็นเพียงอยู่ตลอดคืนลมในท้องก็เกิดขึ้นท่านไม่สามารถจะอดกั้นลมนั้นได้ก็บิดไปบิดมาพระที่บินทบาตมาเห็นท่านอยู่ก็เตือนท่านนะว่าเออธรรมดาบรรพชิตย อ, อดกั้นนะพระเทเรซลา ะ, ละดีลาบพุ่งไปเจอเจอก็ออออออ น, อนอนลงเฉยเฉยว่าสงบ คือคือท่านบิดตัวไปบิดตัวมาพระไปเตือนบอกเออบอกว่าบรรปะชิตเนี่ยเขาบอกตามธรรมดาบนรนปะชิตด้วยนัก บ, บวชเนี่ยเป็นผู้มีปกติปกติของท่านต้องอดอดกลั้นคำว่าปกติเนี่ยแปลว่ามันเป็นอัธยาศัยของท่านเลยแล้วคาว่าบรนประชิตเนี่ยต้องอดกลั้นอดกลั้นต่ออะไรบ้าง ตอนลมต่อหนาวต่ออะไรต่างๆเป็นต้นนั้นที่ได้กล่าวเนี่ยอดเหลือกยุงลมแดดสัตว์เลยคานถ้อยคําที่หยาบที่มากระทบเห็นไหมถามว่าระหว่างกดทนต่อเหลือบต่อยุงต่อลมต่อแดดหรือสัตว์เลยคานหรือถ้อยคำหยาบที่มากระทบไอ้ตรงนี้เป็นของภายนอกของภายนอกทั้งหมดเลยเนะี่ยไอ เลือบยุงลมแดดสัตว์เลขข้อยคลานถ้อยคำหยาบที่มากระทบอันนี้เป็นของภายนอกที่มากระทบสิ่งเหล่นี้มันยากั้มถ้าบอกว่ายากสิ่งที่ยากที่สุดก็คือทุกขเวทนาที่เกิดในกายอันนี้ยากมกเลยทุกขเวทนาเกิดในกายกับอารมณ์ภายนอกที่มากระทบทุกขเวทนาในกายเนี่ยากไม่สําราญเป็นที่ไม่น่าพอใจคือถ้ายิ่งทุกขเวทนาที่สามารถจะทําลายชีวิตได้ด้วยโอ้โหอันนั้นยาก คือพระเทระเนี่ยโดยมาอดทนข้างนอกก็อดทนมาได้ค่อนข้างอย่างดีแต่พอมาเจอแบบเนี้ยพอตอนที่ท่านจะมลานาเนี่ยมาเจอกับทุกเวตาทางกายอย่างแสนสาหัสท่านบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาพระกระเกลีนบอกว่าธรรมดาบรรพชิตมีปกติอดข้าแต่เห็นอาจารย์ญญบิดไปบิดมาไม่พูดว่อธรรมดาท่านบอกด้วยนี่ว่าธรรมดาบรรพชิตมันก็มีควางอดข้าแล้วท่านพวกแกนี้โอ้ได้สติแนละ้ว ไม่ได้แล้ใช่ไมธรรมดามันมีที่ต้องอดกันบมงใจบางคนไบบอกมีคนไปเตือนอย่างนี้บอกว่าไม่เป็นไม่รู้หรอกเอาไปเป็นซะอย่างนั้นไ้เลยเอคือแปลกอยู่อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะอดทนไมนานในวเวลาไปเจอภาวะไอหนักๆขึ้นมานนี้สภาพจิตใจค่อนข้างดี ต้องต้องหลายต้องตึกต้องไข้ควนต้องอะไรค่อนข้างเยอะเนี่ยประการต่อมาคืออาสะวะทั้งหลายจะเกิดเขตภิกษุผู้อดกลั้นหนาวเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คืออาสะวะก็เกิดไม่ได้ผู้อดกั้นไว้ไม่ได้คือทนไม่ได้ก็ก็เป็นโทษนะพอกามอาสะวะเพราะวาสะวะที่ฐาสะวะวิชาสะวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเป็นต้นแบบนี้ แต่ั้นขันติสังวรเนี่ยย่อมอดกลั้นมีความหนาวเป็นต้นเมื่อสามารถอดทนอดกลั้นอย่างนี้เป็นต้นได้แล้ววัตถุประสงค์ของท่านก็คือต้องการที่จะผูกจิตไว้กับกรรมฐานเมื่อผูกจิตกับกรรมฐานได้แล้วก็จะเป็นประชัยแก่การที่จะเจริญในอุปสธรรมเบื้องสูงเป็นต้นท่านในสมัยขั้พุทธกาลบุคคลเหล่านี้ก็ก็ได้หมดวันนี้ก็ได้มาถึงการพิจารณาด้วยความอดกลั้น ในสภาสวัสสังวรสูตรใ น, ในข้อที่4ี่ก็ทุกวันเดียวเวลาเดี๋ยวต่อไปก็จะเรียนกรรมฐ า, านกันต่ อ, อเราจะเรียกรรมฐาน